อ่าคืนนี้อาจารย์สายทิพย์เข้าก่อนเลยนะยองคิวไว้ก่อนเลยอ่าเชิญหนูก่อนเลยนะคะอ่อะาก็มากรอเพื่อนเลยค่ะอ่ากับนวัตการพระอาจารย์ก็ค่ะจริงๆก็มีมีเรื่องการปฏิบัตินิดนึงค่ะพระอาจารย์ก็คือช่วงนี้สติ เอ้ยเขาเรียกสติสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็คือพอนั่งสมาธิมันก็ไม่ลึกเท่าไหร่มีวันหนึ่งก็คือนั่งไปแล้วเราก็รู้สึกว่าสักพักนึงค่ะมันก็วูบไปเลยค่ะหมายถึงว่าคือไม่ไม่ใช่ว่าเราหลับนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบเสียงไม่มีแล้วก็ลมหายใจไม่มีแต่มันเหมือนวูบแป๊บแป๊แล้วมันก็ขึ้นมาค่ะเราก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นลักษณะของการสว่างมากขึ้นค่ะอาจารย์ไม่แน่ต่ว่าแบบนี้มัน มันเป็นสภาวะอะไรค่ะแต่ว่ามั่นต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หลับค่ะไม่ได้หลับก็รู้ว่าจิตมันมันสงบตัวพักหนึ่งบ้าแล้วก็มันก็กลับถอนออกมาใหม่ก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปยึดไปติดไปอะไรกับมันพินจารณาเป็นตายรักมันผ่านไปแล้วแล้วก็กลับมารักษาใจเราให้เป็นปกติมีส ต, ติต่อไป ดูลองแล้วคุ้นทัวร์ไปค่ะไมนยังเป็นต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรให้รู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์เขาพออนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วดับอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้มันมาเองไปเองค่ะมันอยากไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้มันเป็นเอกหรือไม่อยากให้มันเป็นอีก ทีไปเจออาการไม่ดีก็ไม่อยากให้มันเป็นอีกเจออาการดีก็อยากให้มันเป็นอีกเดี๋ยวรำมันไม่เป็นถ้าเป็นก็จะเดือดล้อนขึ้นหม่เอ็นไม่ต้องไปหวั่นไหวไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้รู้ว่าเป็นอนิจจังมรรตตาเราไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดปย่ากับเขาไว้เข้าไปตามเรื่องของเขา เรามีหน้าที่มีสติอยู่กับลมเรื่องมีสติอยู่กับพุทโธเราก็ถาต่อไปจนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบแล้วว่างค่ะซึ่งเมื่อกี้อาจจะเป็นความสงบแล้วว่างชั่วคราวแักบเดียวชั่วขณะหนึ่งก็ได้เดียกว่าคันี้กะสมาธิ้นไปด้แต่มันก็ผ่านไปแล้วเออย่าไปฝันอย่าไปคิดถึงตัวมัน ทิ่ถึงตัวเหตุที่ทำให้มันเกิดก็คือสติให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับพุนโรไปเรื่อยๆเราจะไม่มีปัญหาเลยอืมค่ะคงมีเรื่องสติไม่ค่อยไม่ค่อยดีค่ะพระอ า, าจารย์ช่วงนี้ค่ะก็ะต้องมนฝึกสติ่สตินี่เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดที่จะรักษาจิตใจของเราอ่ามันมันจันมันมันแว่งไปกับ เหการณอารมณ์งเหการณใช่ค่ะมันใกล้ๆตัวอพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะจิตตกบ่อยๆค่ะพระอาจารย์เหมือนนะเอ้ยขนาดเราปฏิบัติเรายังดึงจิตมาไม่ค่อยได้เลยค่ะพระอาจารย์จิตตกไปอยู่พอมันปฏิบัติน้อยอย่าไปเ้างมาปฏิบัติปฏิบัติแต่มันปฏิบัติน้อยค่ะถ้าปฏิบัติมากมันก็มันก็จะดึงจิตไว้ได้ต้องบอกว่าเราปฏิบัติน้อยน้อยไป วันนี้เราปฏิบัติสติเราจะได้สติมากน้อยเพียงไรจริงๆค่ะไม่ค่อยได้เลยค่ะพระอาจารย์นั่นแหละเราจะมะาอาวเราจมาอ้เราปฏิบัติมันทำให้เสียชื่อเสียชื่อการปฏิบัติไปหมดค่ะเราหัวเรามันปฏิบัติน้อยเหมือน ป, ปฏิบัติน้อยค่ะไม่เ <jokes> ข้มแข็งเท<ม>่าไหารห่อาจจะได้ผลดีแล้วต้องปฏิบัติมากวันนี้ อืมต่อต้องพยายามบังคับพยายามต่อคับเมื่อสตินะก็ส่วนใหญามันเธอมันลืมมากก่ามันไม่มันไม่ได้เป็นของยากอย่าอะไรเีแต่เราเผลอเราลืมอ่าน่าจะหลงค่ะโอเคน่าจะยอมกิเลสมากกว่าค่ะอาจารย์โอเคให้มันปั่นหัวทั้งวันก็เลยอ่อนค่ะเดี๋ยวพยายามใหม่ค่ะพระอาจารย์พยายามฝึกสติไปเรื่อย เวลานั่งมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจให้รู้เฉยๆแล้วกลับมานนอยู่ที่ <c oughs> สติมีสต <c oughs> อิอยู่กับรมอยู่กับพุนโทรต่อไปโอเคนะ <c oughs> เดี๋ยววันน <c oughs> ี้ขอข้ามสองท่านไปที่คนเดวิดก่อนเพราะอยู่ในรถเดี๋ยวอาจจะเดินทางไปไหนต่อเดวิด <c oughs> how are you are you driving uh, on our way back yes <S i s e e How far have you left from Washington? I uh, uh, went to Niagara Falls, so now 12 oh. hours. Get, 12 hours to go back home now. <laughs> I see you on vacation. Ah, huh? uh, yes, that's holiday. why I can see you. Take a little holiday. <laughs> yeah. So next time I cannot see you because I will be at work. <laughs> I see. Okay. This morning, your brother-in-law uh, gave me your donation. Thank you very much. Uh, You and You're your welcome. wife. Okay. How a l e v o u Ajahn? c o t a l e you? Merci beaucoup. <laughs> <De rien. laughs> do, you have, do you have any comment? Any question? No, no question. Just a pleasure to see you. Okay. You just stop your car right now. Not driving. Exactly. Right? Not driving. <laughs> okay. So I have to get to you first, so you you won't have to wait too long. Very kind from you. Okay. Okay. Okay. Nice talking yeah. to you. Uh, nice a you. r e heading home. You're heading home. Heading home. t hours. t w hours. You're gonna spend the night somewhere on the way, or you gonna go straight ah, home? Ah no, it's okay. Straight home. I see. You might take a break for mini um, breaks. m a n y breaks. Having a meal or something. Yes, sure, sure. I see. So you'll be you home by night care. time. You'll be home by night time. Exactly. Okay. Have a safe journey. Bon voyage. Merci beaucoup. Bon okay. santé, t e a c h Huh? Okay. Okay. Bonne santé. Okay. I don't understand, but thank you anyway. y u r e a g o o e a c e r t e ให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคับ <Okay. S 2> ท่านอาจารย์โอเค thank you you too โอเ okay. ค alright เดี๋ยวขอไปที่ท่านตอไปนะคุณกาแฟก็จ่น okay. มรการครับเมื่อกี้ได้คำตอบจากพี่สายที่แล้วครับแต่ว่าขอถามอีกครั้งหนึ่งครับคือทำธุรกิจอะครับแล้วก็มีคนมาเอาเปรียบคือพอช่วยญาติญาติก็เอาเปรียบ น, นะครับมันต้องวางใจยังไงครับ เขาเป็นมา้าเราอยากจะเป็นม้าตามเขาแล้วเปล่ามันเหนื่อยครับมันจะก็ต้องคิดว่าเราอยู่กับมา้าเราต้องก็ต้องก็ต้องทนเนี่ยม้ามันไม่สนใจว่ากฎกติกาเป็นยังไงม้ามันก็อยากจะเอาเห็นไหมว่าม้ามันแย่งแย่งกินอาหารใช่ไหมใช่นั่นนะแหละมันก็แบบนั้นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก็าอย่าไปหวังไปเปลี่ยนเขา เราต้องเปลี่ยนเราเราเป็นเทพเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรารู้ผิดถูกดีชั่วเราก็แยากตัวเราออกจากหมาก็แล้วเนี่ยไว้ให้หมามันทําเลยไปตามเรื่องของมันถ้าไม่อยากให้หมากัดเราอยากไปยุ่ง ก, ก็ก็สงสัยต้องต้องต้องเบรแล้วก็ทําสมาธิเพิ่มเมื่อกี้ก็แบบจิตตกครับอาจารย์แต่ว่าพอพระอาจารย์เทศพอเห็นหน้าพระอาจารย์เห็นหน้าทีนั้นก็แบบก็กลับมาอยู่จิตตัวก็ มันมีสติมากขึ้นออนย่าไปตามกิเลสกิเลสจ้าแพ้ชนะเหนื่อยเนื่อยกับกิเลสคนครับกิเลสเยอะมาเลยกิเลสเราเนี่ยนะที่อยากจะเป็นเหนื่อยกับกิเลสเขาไม่เหนื่อยกิเลสเขาทําไมเขาเขาเป็นอย่างนั้นเขาไปเขาเป็นอย่างนั้นไปเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาถ้าต้องยุ่งกันก็ต้องอดทนต้องเมตตาต้องไหวให้เขาไป เดี๋ยวก็ดูผลที่จะตามมาต่อไปก็กลายเป็นสุนัขเไไหนนะ็เข้าใจคือถ้าเราเป็นสุนัขแล้วถ้าเราทนเราทําความดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เราจะมีกำลังใจเข้มแข็งมาตอนหลังคือแบบผมว่าเออผมทําดีแบบนี้แล้วก็มันอาจจะส่งผลช้าหน่อยแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำครับ อ, อย่าไปหวังผลนะหวังที่ใจเราว่าให้ใจเราเข้มแข็งไม่ใจเราเอ่าไม่วุ่นวายไปรับ บุคคต่างๆที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยอันนั้น น, นี่คือผลที่เราต้องการไม่ต้องการให้เปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนเขาให้เป็นคนดีดีกับเราอรนี้มันเป็นมันอาจจะเป็นไปก็ได้อาจจะไม่เป็นไปก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทําความดีทำความดีนี่ทําให้เราเข้มแข็งปล่อยวางอดทนเข้าใจมีความเข้าใจในธรรมชาติของคนมากขึ้น ว่าร่างกายเขาถึงแม้จะเป็นมนุษย์แต่ใจเขาไม่ได้เป็นมนุษย์ใจเขาเป็นเดรัจฉานก็ผมก็ไม่ค่ายมีที่พึ่งก็มีพรอาจารย์แล้วก็เปที่พึ่งที่แบบได้ทําความดีต่อไปพระอาจารย์คุ้มคงัชัดมากครับแลรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ถวาเขาอยากจะเป็นเดรัจฉานก็ปล่อยก็เป็นไปใช่ไหม เขาขาดสติกาดปัญญาเขาไม่รู้ธรรมชาติของคน<ม>ของ<ม>สัตว์ว่าเป็นยังไงคือทาดีก็คือผลตอบแทนคือดีแน่นอนใช่ที่ใจเราไม่ได้ตอบไม่ได้จากใครหรอกในใจเรามีความสงบใจเราเย็นใจเรามีปัญญาเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของคนว่าเป็นของของจิตจะดูว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์หรเป็นอะไรกัน ะไรครับถ้าเราเจอคนดีเราก็จะรู้ว่าเนี่ยจิตเขาเป็นเหมือนเทเวดาเรามีจะททำความดีมีแต่การให้ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการสันแกล้งในโลกนี่ที่ธรรมะท่านสแสดงไว้ว่ากายเป็นมนุษย์แต่จิตอาจจะเป็นเจริญฉานก็ได้เป็นเทพก็ได้จิตนี่มันไม่ได้เป็นไปขับร่างกาย มันเป็นกับร่างกายตอนที่มาเกิดตอนต้นตอนต้นตอนที่มาเกิดมันเป็นมนุษย์แต่พอมันเริ่มาออกมาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆถ้าสันดานเดินเป็นเดราชามันก็จะเดราชาออกมาถ้าสันดานเดินเป็นเทพ ม, มันก็จะเป็นเทพออกมาเห็นภาพเห็นภาพแล้วครับเราก็ได้แยกแยะ แ, แล้วก็ทําตัวถูกตามที่แวตาผูกใช่เราจะไปบอกว่าเป็นคนเหมือนกันทําไมถึงเป็นอย่างนี้ ใช่มันเป็นคนที่ร่างกายแต่ใจมันไม่ได้เป็นใจมันสูงก็ได้ต่ำก็ได้ออครับก็รับสาใจตัวเองไว้แล้วก็ครับเข้าใจมากปลืซึง้งมากครับผมถ้าหลบได้หนีได้ก็หลบถนะ้งคนแบบนี้นะเหมือนเราหลบหมาบ้าหมาห ม, ม, มาดุแล้วก็ไม่อยากไปยิงใช่มันถูกมันกันเด็ก <laughs> ครับ <laughs> แตต้องอยู่แต่ต้องอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยความเมตตาอย่าไปอย่าไปตีมันอย่าไปทำร้ายมันเดี๋ยวมันยิ่งีจะกลับมาการเราแรงกว่ายอ๋ก็ต้องเป็นคือผมพยายามทําตัวแบบว่าเหมันมุกคนชีวิตนะครับเป็นที่พึ่งใญาติให้อะไรแต่ว่าพอพึ่งแล้วต้องต้องแบบเช่นแต่ว่าก็ต้องหลบหลบบ้างใช่ทาได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องหยุดมันไม่ได้จําเป็นจะต้องทําำ เสมอไปครับครับขอขอบขอบพระคุณมากลึกซึ้งมากครับโอเคนะยังไงน ะ, ะครับอบคุณที่ว่าแข็งแรงครับคุณนนอนภาพต่อเชญคุณัอนุภาพกลาวนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะเอ่อเมือ่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลองอดอาหารหนึ่งมือเจ้าค่ะอาจารย์ก็มีอาการปวดนิดหน่อยแต่แต่ก็ได้อยู่เจ้าค่ะ แต่แต่มันถ้าครั้งแรกมันยังไม่ไม่ไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติมากใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันอาจจะยังปรับตัวอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะหนึ่งมือมายถึงนหนึ่งวันแล้วว่าทานไม่กินหนึ่งวันไม่ทานเลยเจ้าค่ะแค่หนึ่งมือแต่อย่างกินเหล็กสองมือไม่ใช่นะอ๋อเพราะว่าหนึ่งวันไม่กินหนึ่งวั น, วนอดอาหารหนึ่งวันอดอาหารหนึ่งวันเจ้าค่ะเพราะก่อนหน้านี้คือลูก กินมื้อเดียวมาตลอดทั้งวันทำงานทั้นเจ้าค่ะแต่เมื่อวันอาทิตย์ลองดูว่าถ้าไม่กินทั้งวันจะเป็นยังไงเห็นเี่ยเจ้าค่ะพรอาจารย์มันมันก็ดีเพียนิดหน่อยเจ้าค่ะพะอาจารย์ก็ไม่ไมมันก็มันก็จะวุ่นวายนิดหน่อยทุกนิดหน่อยเพราะจิตมันไม่มันมันต้องปรับตัวถ้าจะให้มันลงตัวนี่ท่านบอกว่าต้องต้องสามวันผ่านไปแล้วที่นี่มันจะมันจะลงตัวมันจะปรับตัวเข้ากับการอดนาน คนเอาละหารจะรู้สึกว่าสามวันแรกนี้ค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้กันกับกิเลสนะแต่พอผ่านวันที่สามไปแลานี่มันจะเมาแล้วการต่อสู้กับกิเลสกิเลมันยอมสมุกตัวแต่ น, นี้ก็พูดให้ฟังใช่นะเพื่อให้รู้ว่าการอะหานวันแรกมันก็อาจจะเป็นการต่อสู้กับกิเลสเป็นส่วนใหญ่ มันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่สิคะถ้าอนไปนานๆเข้าห้าวันนี้พอผ่านวันที่สามไปแล้วจะรู้สึกว่ามันเบาต้องต้องผ่านสามวันเจ้าค่ะก็เคเริ่มโดยโดยกระมาณนะวบองคนอาจเร็วกนั้นเร็วสั้นกนั้นก็ได้ค่ะคือมันพอเริ่มปรับตัวได้ใหม่ๆทุกอย่างเราทำอะไรใหม่ไปอยู่ที่ใหม่ไปทำอะไรใหม่มันมันจะรู้สึกมันอัดช่วงแรก แต่พอเราอยู่ไปสักรังเริ่มเริ่มชินกับการกระทํายบดี้มันมันก็เลยมันก็ปรับตัวมันก็ขายไปดได้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องกังวล ม, มันก็อุดานยังไงเราสามารถใช้การอดอาหารนี้มาเป็นอุบายช่วยเสริมการปฏิบัติของเราได้ก็ค่คือเวลาแล้วอดนี้เราต้องรู้แล้วว่าเราอยู่เฉยไม่ได้ต้องภาวนาเราต้องเจริญสติ อย่างนั้นเดี๋ยวยิ่งนอนมันนุมใหญ่ไปถ้าไม่ไม่ภาวนาไม่เจริญสติมัอยู่เฉยๆปล่อยมันมันจะคิดแต่เรื่องอาหารมันจะหิวใช่ไหมท่านอาจจะทนไม่ไหวมันมันจะชวนวุ่นวายนิดหน่อยเจ้าคะอาจารย์นิดแต่แต่ก็ก็ไม่ได้แบบว่านึกถึงแต่อาหารตลอดเวลาอย่างนั้นนะเจ้าคะไม่ใช่นะเจ้าคะแต่มันจะมีเหมือนกับตอนแรกนึกว่าปฏิบัติแล้วมันจะเบาใช่ไหมเจ้าคะถ้าถ้าเราแต่บอกมันก็คือ อาจจะเป็นช่วงแรกที่พระอาจารย์บอกเพราะว่ามันมันมีความไม่นิ่งอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์นีแล้วสติเราก็ยังอาจจะไม่ไม่มากพอใช่รเริรต้นค่ะสติไม่มากพอจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยมองว่าเราต้องฝึกสติมากกว่าอย่างนี้เจ้าค่ะพระถ้าเราต่อได้สักสองสามวันมันมันจะรู้สึกเบาลงเราลงการการต่อต้านของของกิเลสค่ะเราเราอด อกับเรียนพระอาจารย์ว่าเราอดได้มากที่สุดกี่วันเจ้าคะอาจารย์หรืออยู่ที่เราดูสภาพร่างกายหรือยังไงเจ้าค่ะก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ร่างกายแต่โดยทั่วไปเนี่ยห้าวันเจ็ดวันนี่ค่อน้างจะสบายอก็คือเป็นเป็นที่พัดปฏิบัติท่านทําก็คือห้าวันเจ็ดวันนี่คือปกติเลยใช่ไหมอาจารย์แล้วถ้ามันวันนี้ เราจะช่วยใช้น้ำปนานะช่วยเราบ้างก็ได้ถ้ารู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียน้ำผลไมล้ในตอนบ่ายอ oh. แต่ช่วงแรกถ้าเป็นไปได้อย่าไปดืม่มอะไรแล้วน้ำเปล่าทีเดีบเเนืองเดี๋ยวมันจะมาฟังวนกับเรื่อง oh. วันแรกวันสองวันแรกไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรแล้วแต่ถ้าสามวันผ่านไปแล้วอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียหน่อยก็อาจจะอาศัยน้ำพึ่งน้ำตาล น้ำผลไม้อะไรให้พลังงานกับร่างกายบ้านก็ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่พระอาจารย์ให้การบ้านไปนั่งให้ให้มีเวทนายัางทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเจ้าค่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็ไปเอาฝึกไปเป็นยง ทีนี้เท่าเท่าที่ทีไ่ได้ได้ได้ศึกษาจากพระอาจารย์ก็คือให้เราค่อยๆเพิ่มไปใช่ไหมเจา้าคะพระอาจารย์เวลามันก็็เปนไม่ได้เป็นตัวกําหนดที่แท้จริงหรอตัวกําหนดก็คือว่าเราสามารถผ่านเวทนาไปได้หรือเปล่าผ่านความเจ็บปวดของร่างกายไปได้หรือเปล่าเวลาเวลามันเจ็บมันปวดนี่เราอยู่กับมันได้หรือเปล่าไม่ต้องไปทุกกับมันได้หรือเปล่า อ๋อของเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกําหนดใช่ไหมเจ้ค า, าคบอาจารย์ก็มันบางทีก็ต้องใช้เวลากว่ามันถึงจะโผล่ขึ้นมาค่ะเวลามีไว้เพื่อให้มันโผล่ขึ้นมานั่นแหละแต่เวลามันแต่ละคนอาจจะโผล่ขึ้นมาเร็วช้าไม่เหมือนกันกันได้อแต่เวลามันโผล่ขึ้นมาเราต้องการจะสอนใจให้รู้จักวิธีอยู่กับทุกเวทนาถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ย ลูกอ่ะไม่ได้นั่งบอกไงเจ้าคะพระอาจารย์ลูกนั่งกับพื้นไม้เลยมันก็เกิดขึ้นเร็วความรู้สใช่ใช่ใชไม่จําเป็นจะต้องนั่งนั่งบอกถ้ า, าต้องการจะนั่งเพื่อให้เกิดเวทนาเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าต่อไปเราไปนั่งที่ไหนก็ได้ไม่น้องคนหาบอกแบบบอกไปด้วยรู้สึกดีเลยเจา้าคะพระอาจารย์เพราะแต่ก่อนจะนั่งคิดว่าถ้านั่งสวดมนต์ต้องมีเก้เอาอี้นู่นเก้าอี้นี่ นนหว่อนี่อะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอนั่งคือถ้าเรานั่งได้มันเหมือนกับคลายความแบบไอ้นี่ไปเลยอ่ะเจ้ า, าคลายความกังวลคลายไปละที่จะต้องคอยมีบาะนั่งติดตัวไปนั่งตามธรรมชาติเจ้าคมีที่ไหนนั่งได้ก็นั่งไปไม่ต้องมีอะไรถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าไม่เอาชั่วโมงเนี่ยลูกมีเวทนาแล้วลูกอยู่กับมันได้พอสมควรเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้จิต จิตแบบว่าต้านอย่างนี้ก็พอพอพอพอได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะเพราะลูกลูกใช้ปัญญานิดหน่อยเจ้าคะ่ะที่เคยกลับเรียนพระอาจารย์ว่าลูกเคยพิจารณาทางปัญญาได้ว่ามันเป็นเหมือนธาตุขันเสียดสีกันแล้วก็เป็นเวทนาเป็นเวทนาที่เกิดจากการเสเกิดขึ้นของร่างกายอย่างนี้ยเจ้าคะ่ะพอคิดอย่างนี้มันอยู่กับมันได้ระดับหนึ่งเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่มันก็ที่มันปัญหาคือมันมีหลายหลายระดับนะเวทนา อาจจะมีรอบแรกแวาจจ่าวท่านรอดูรอบที่สองต่อค่ะที่รูกที่ลูก<ะ>บอกว่ายังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่ามันได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันแค่รอบแรกที่เป็นยังไม่หนักมากใน<ะ>จากลาภายจากลาภะลองนั่งต่อไปแล้วดูรอบที่สองเวลามันโผล่ขึ้นมามันหนักกว<ะ>่าก่อค่ะหลวงตาท่านเคยเขียนไว้ในปฏิปทามันตัวกัมธนาของท่านมีสามรอบ ไปตัวที่สามนี้ท่านบอกกว่าจะออกมาต้องหลายชั่วโมงอืมค่ะแล้วมันจะเป็นตัวที่รุนแรงมากค่ะนั่นก็อยู่ที่เราว่าเราจะสามารถที่จะฝจิตของเราให้ไปนับกับแต่ละรอบได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือผ่านรอบแรกไประดับเบาเาก็ ลองนั่ ง, งต่อไปกา<ป>ต่อไปอีกให้ได้นานแบบนั้นจนเกิดรอบสองอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่จะดูว่าเป็นยังไงถ้าได้รอบสองได้ลองนั่งต่อไปดูว่าเจอได้รอบส <c oughs> หรือเปล่าอะไรค่อยฝึกไปทีนี้เก่าเรียวว่าอาจารย์จะขอลูกจังวังใจยังไงดีเพราะอาจารย์เคยบอก ท่านญาติธรรมหลายๆท่านว่ามีสองทางเลือกสำหรับเวทนาอันแรกคือพุทโธอย่างเดียวอันที่สองคือพิจารณาเราจะรู้ได้ยังไงเจ้าคะว่าเราจะเอาเวไหนอะเจ้าคะก็ลองดูสิว่าอันไหนมันใช่ได้สำหรับเราไม่ได้มีกดตายตัว โอเคถ้าตอนถ้าตอนนั้นพุธทธเอาอยู่ก็เอาพุธทธกรก่อนแต่ถ้าระยะหลังมันพิจารณาแล้วเอาอยู่ก็เอาเอาพิจารณาก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหได้อ๋อเจ้าค่ะค่ะก็ก็เดี๋ยว พอดีพอดีท่านถ้าจะทําการกําหนดอันนี้เจ้าค่ะมันจะต้องแผเตรียมการในการนั่งพอสมควรเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะมันต้องเตรียมรับเวลาเวลาที่มันจะยาวนานต่อเนื่องอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ได้เราก็ต้องรู้ว่าเรามีเวลาว่างทีจะนั่งได้ยาวว่างว่างจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ถึงจะตั้งใจตรงนี้ได้เจ้าค่ะเพราะที่ผ่านมาคือมันเป็นวันทํางานอย่างเงี้ยก็ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงตามที่กลาวเรียนพระอาจารย์ไปเจ้าค่ะก็ได้ได้แค่เวทนาระดับต้นๆที่เบาๆเจ้าค่ะ ถ้างนั้นก็เดี๋ยวถ้าลองแผ่นแล้วมีเวลายาวๆก็ลองนั่งยาวต่อไปใช่ไหมเจ้าคะ่ะให้เจ อ, เอครั้งที่สองใช่ไหมเจ้าคะ่ะครั้งที่สองแล้วครั้งที่ส า, ถามถ้าทำได้แล้วต้องแล้วต้องมีการมาตรการป้องกันให้มันมันจะหาทางทางหลบเช่นมันจะอ้าปวดฉี่มากอะไรนี่นก็ต้องต้องเตรียมฉี่ให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วกอนเดี๋ยวมันนี้ จะหาทางออกาจาะแล้วว่าจะปวดก็ให้มันชีดตรงนั้นแ่ะแต่กูจะไม่ลุกไปชีดอ๋อเจ้าคะเข้าใจเจ้าคะพระอาจารย์ค่ะถาจะมีอิมเมอร์เจนซีอะไรขึ้นมาคิดขึ้นมาให้ลืมปิดไฟปิดแก๊สหรือเปล่ามีก็พอาจารย์โดนโดนหลอกไหมกันพอาจารย์ลืมมัหรือเปล่ามันจะหาเหตุให้ลูกจากการนั่ง เป็นก่อนจะนั่งต้องรอบครอก่อนต้องปิดประตูปิดทางปิดเทททั้งหลายใ่ะเมช็คงเช็คไปเช็คประตูเช็คอะไรให้เรียบร้อยก็ค่ะอ๋อ้ค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงเ้าจะจำเป็นไม่ได้กบโทรศัพท์กเปิดนด้วยอ๋อเจ้าค่ะลูกลูกไม่เอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวเลยเจ้ค่ะพระอาจารย์เอาไปไกลๆเลยครับแม้แม้กระทั่ง เสียงเวลามัน <unhealthy> ม <Sai yan> so huh. ีอะไรเข้ามันก็จะสั่นสะเทือนให้เรารู้สึกเลยคะอาจารย์ลูกเอาไว้ใกล้เลยค่ะลูกลองรอบแรกมันเอาไว้ใกล้แล้วแบบอุ๊ดตายแล้วมากวนมันมันกวนค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์น่าจะปิดเสียงค่ะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองต่อเนื่องไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็สุดท้ายคือกล่าวขอบคุณคุณหลาเจ้าค่ะดีใจมากได้คุณหลาส่งหนังสือประวัติพระอาจารย์มาให้เจ้าค่ะแต่ยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มอ่านจริงจังนะเจ้าค่ะค่ะโอเค วันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะกลับขอพระคุณพรอาจารย์เจ้าค่ะสาธุคุณเอกจากเชียงรายเชิญคุณเอกคุณชดที่พงต้องต้อ ง, อ, งอย่าไปติดอายยกมือนะเพราะเราไปตามคิวคุณชดที่พงไปอยู่ที่หัวแล้วเดี๋ยวต้องรอกว่าจะบมดหน้านี้ก่อนที่จะไปต่อคุณได้คนะโอเคอ่ะคุณเอกช่วยได้รับ คุณใหญเปิดมากลาวนมักา ก, การพระอาจารย์ครับเ mm hmm. อ่อกล่าวขอการเอ่อสอบถามพระอาจารย์พอดีผมนั่งสมาธิไปเสร็จแล้วมันติดมันก็ลงไปลงไปตรงที่ความว่างครับพระอาจารย์เอ่อตรงตรงที่มันว่างครับพระอาจารย์เอ่อคือมันมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับอาจารย์ที่มัน มันว่างเปล่าไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีแดนไม่มีอะไรตรงนั้นใช่ใช่ความว่างเปล่าครับอาจารย์แต่มันว่างก็ว่างนะ้องมาถามมาได้ไง لك. มันก็ต้องรู้เองมันว่างมันไม่ว่างครับก็ก็ไม่ว่างวมัก็าามาแสดงว่าไม่มีอะไรถ้ามีอะไรมันก็ไม่ว่างโอ้ครับครับครับครับเพื่อเพื่อแบบว่าเพื่อให้แน่ใจครับว่าเออจะเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยครับลักษณะเช่นเดียวกันไหมอย่างเงี้ยครับอาจารย์ จิตว่างก็จิตสงบจิตปราศจากการปรุง แ, งแต่งแล้วก็มียังมีความสุขไหอมีนี่นะมีความสบายมีครับมีเวรขาไม่ดีย่ีแต่ไม่มีภาคเสียงกลิ่นรสอะไรอ่ะจ้ะโอ้ครับผมครับผมครับผมพอเป็นเป็นเป็นแบบนั้นครับผมอมก็จะจะได้รู้ว่าออมันเหมือนกันหรือเปล่าเงี้ยครับเหมือนกันไหม มันเหมือนกันมอหสบายเหมือนได้ขึ้นขึ้นสวรรค์นะนะคชาวสิงหอกคิดว่าครับผมครับครับเพราะ<น>ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดประมาณสักสองรอบสามรอบอะครับอาจารย์อ ก, ก็ก็ไม่รู้ว่าเออมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือยังไงก็เลยมาสอบถามเรียนสอบถามทางอาจารย์หัวครับได้ครับมันเบามันว่ามันเจอมันสบายไม่มีอะไร ให้รับรูน้นะครับใช่โตว่าถ้ายังมีเสียงมีแสงมีอะไรก็ยังยังยังไม่ว่าจริงครับแต่ว่าแต่ว่าเสียงนี้มันยัง ไ, ได้ยินอยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้ไปได้ยินไม่ไปอะไรใช่ได้ยินแต่ใจไม่ไปมุนวายกับมันก็ใช่นะครับ ก, ก, ก็ก็รู้ว่าเป็นเสียงอยู่ก็ไม่ไม่ได้ไปอะไรนะครับอาจารย์ก็สํำคัญก็คือใจเราเฉยนิ่งเฉยไม่รับไม่ ล, มลคาคาญกับรูปเสียงเินแล้วที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกาย ครับผมครับผมถ้าอย่างนี้ก็ฝึกให้บ่อยๆให้ชํานาญไปไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ให้มันได้อย่างงั้นมันไเข้าสมาธิได้มันว่างแล้วก็ได้นั่งเฉยๆให้เวลาผ่านไปยังความสุขครับผมครับผมเพราะผมมันมันก็เออมันก็จะตามมันจะเข้าไปตามสเต็ปๆเลยนะพรอาจารย์ตาม มันก็วิตกวิจาร์เข้าไปมันก็จะเบาเบาเสร็จแล้วก็ขึ้นมาก็จะว่างไปแล้วอาจารย์ได้ได้แต่ถ้าแต่ถ้ามันคิดไปถ้ามันคิดออกไปก็จะเอาใช้พุโทโธดึงเข้ามาเหมือนที่พระอาจารย์ได้ได้เทศสั่งสอนไว้ครับอาจารย์อย่าให้มันคิดพวกควกามคิดไว้ครับผมก็ถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าช่วงที่หลังจากออกสมาธิมาผมก็คิดไปทางใจรักไปเรื่อยๆได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์เอ ถ้าถ้ายัสติยังไม่ดีพอสมาธิยังไม่มั่นคงยังไม่ก็อาจจะฝึกสติต่อไปก่อนก็ได้โอเคครับผมฝึกสติก่อนนะครับเไ อ, อ ใ, ให้คมหยุดความคิดไปเรื่อยๆก่อนโอให้เน่นกว่านี้อีกน ะ, ะถึงแม้ออมาจากสมาธิก็ให้ลองฝึกควบคุมความคิดต่อไปก่อนเขาถ้าปล่อยให้คิดท่าเดี๋ยวมันอาจจ ะ, ตะเตลเดเดเิดเปิดไปเรื่องอื่นได้นะ จะพจารณาใจ ร, รัก<า>อยู่ได้นิดหนึ่งนะหรือจะคิดรายดีนะเดี๋ยวคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงอะไรไปครับครับผมครับคออกมาก็ใช้สติคุโถวคุโถไปนะครับเอเพื่อที่เวลานั่งสมาธิให้มันเข้าได้ง่ายได้เร็วแล้วอยู่ได้นานก่อนให้มันชํานาญทางสมาธิก่อนถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราทสมาธา เราก็เราสู้กับเวทนาต่อไปก่อยก็ได้นั่งไปให้มันเจ็บแล้วก็ดูสติของเราจะผ่านมันไหมครับผมเพราะว่าเวทนานี้เจอทุกเช้าครับอาจารย์พ้อมตื่นตีสามคึ่งแล้วก็นั่งนั่งจนถึงเกือบหกโมครับมันเจอแลช่วงชั่วโมงที่สองนะครับอาจารย์เจอแต่เราไม่รุกแคเ่เราอยู่กับมันได้ครับอยู่อยู่มันได้ครับถ้า ถ้นไหนสติดีก็อยู่อยู่ได้แบบมันมันหายไปเลดูที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันกดับไปมันหายไปแต่ถ้าวันไหนสติห่อนก็ก็ทนทนอยู่ไปจนกว่าจะจะจะลุกนะจนกว่ามันเจ็บมันไม่ไหวก็ลุกนะอาจารย์ใช่ถ้าเกิดว่าสติเราดีพออยากจะพิจารณาก็ได้แต่พิจารณาอยู่ในกรอบมือตายรักเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องให้มันเห็นว่ามันเป็นตายรักแบบ ผมจะเป็นราบยศสารเสวนจบไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นพิจารณาว่ามันเป็นตายแล้วเนินพิจารณาดูว่าสุภาษไม่สวยไม่งามของร่างกายพิจารณาเพื่อให้จดจําเมื่อเวลาเราเห็นของจริงเราจะได้รู้อ๋อ oh, นี่ไม่เที่ยงนะอันนี้เป็นอนันต่างนะเราไปอะไรกับเขาไม่ได้นะ ไม่ร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเนียมีครงกระดูกด้วยกันทุกคนเห็นร่างกายอะไรก็ต้องเห็นโครงระดกของร่างกายนทันทีครับผมถ้ายังไม่เห็นก็เริ่มาัดพัชนากระดูกไปเรื่อยๆนึกถึงคงกระดูกไปเรื่อยๆครับผมพินาพินาสุภะมันเลยอ่าก็ได้มันมีหลายอย่างร้ายพัชนาสุภะก็อย่างหนึ่งอริจาร์ไม่เที่ยง กเกลียดตายก็อย่างอืงครับผมทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทางก็บุคคลต่างๆเข้ามาแล้วเข้าไปเกิดแล้วก็เดามีการท้าท่าจากกันอันนี้ก็ไม่เที่ยงครับผมทุกอย่างต้องพิจารณาโอคทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยมันไม่เที่ยงเ้่เนี้น่าจะเป็นบ้านเป็นสมบัติเป็นอะไรไม่เที่ยงทั้งว่างมันอาจจะต้องมีการท้าท่าจากกันไป พิจารณาเกินใจไม่ให้ยึดไม่ให้ติดเา ม, มีการจากกันจะได้ไม่ทุกครับผมสิงเพราะว่าสิ่งใดในโลกล้วนอันนี้จังใช่ไหมครับอาจารย์อใช่สัปปรพสิ่งจตุปปรุคนครับมบ ม, มีเกิดมีดับมีมามีไปเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตว์กันจุกคนครับ ไม่ควบคุมไปบังคับเขาไม่ได้ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมโอเคมีคำถามนะครับผมน้องไปไปฏิบัติครับอราจะได้<ม>ใช่ท่านต่อไปคุณหมอภานสนะยมมากรธรรมอขมบคุณพระอาจารย์ค่ะมีคําถามเดียมค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วก็พยายามก็ตั้งใจในการทําสมาธิแล้วก็เจริญสติแบบที่พระอาจารย์บอกนะคะใช้อริยาบทกับ กับสำนัญชยาบานก็มีคำถามคือว่าพอเราทำคืองานเนี่ยลดงานลงไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานมีสติใช่ไหมแต่ว่าพอเลิกจากงานทำงานเนี่ยเราก็จะทำสองอันนี้สลับกันแล้วก็ใช้ใช้แบบนึกถึง ก, ยกายคตาสติที่อาจารย์แนะนำคราวนี้เนี่ยมีคำถามคือว่า พอเรานั่งสมาธิมันก็สงบใช่ไหมคะพระอาจารย์พอเราออกมาจากสมาธิเนี่ยพอเราใช้สติดูอะมันก็ยังสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับสังขารวิ ญ, ญญาณนั่นคือเราก็ให้มันสงบอยู่อย่างนี้เราทนอย่างไปก่อนทั้งไปต่อตอนไปจนทั้งให้มันแน่นแไปก่อนใช่ไหมคะพระอาจารย์เพรารู้สึ ก, กว่ามีความรู้สึกว่าดีมากแล้วว่ามันจะสงบแบบไปตลอดได้ถ้ามีสติแล้วควบคุมสังขารควบคุมสังขารได้เราไม่โหกมาเยลยนะอาจารย์เราไม่โผล่เพราะว่ามันอยู่ในสติก็เลยก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมพระอาจารย์เราก็เราก็ทำยิ่ง ได้หรือถ้าอยากจะเห็นความจริงก็ต้องพิจารณาว่าเป็นไจรักไปทุกอย่างก็แล้วแต่ว่าเราจะจะดึกำ ล, ลังของเราว่าเราตอนนี้มีสติที่มั่นคงที่ต่อเนื่องที่สามารถทำจิตให้สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการหรือไม่ แต่อย่างนั้นมักู้การอยู่ว่าจะต้องฝูกสติให้มากขึก้นกว่านี้ก่อนคิดว่ามีสติพอเพียงที่จะส่งจิตให้เข้าสมาธิได้ทุกเวลาจำมาพิจารณาายรลักกับสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ จะรู้สึกว่าสติมันจะเยอะมากขึ้นแล้วก็เข้าสมาธิได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะพระอาจารย์เพรพอพรอาจารย์แนะนําปุกก็เลยแบบตัดทุกอย่างปัญญาตัดก่อนแล้วก็ทําสติกับแบบสมาธิแล้วก็เดินจงกรมแค่3ามอย่างรู้สึกว่าแบบมันมันทำให้จิตมันได้นิ่งขึ้นแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันทีนี้จะลองดูอริยะกับไตหลักใช่ไหมครับพระอ า, าจารย์อก็เดินไปทํางานเดินไปเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า คือขนาดบ้านยังรู้สึกไม่ใช่ของเราคือเราไม่ยึดติดอะไรคือแบบมันรู้สึกดีอะพ่อาจารย์แบบที่พ่ออาจารย์บอกตะก่ อ, กอนเขาที่แล้วนู้นอะมูเลยไปคิดว่าเมื่อไหร่โลคจะโกรธจนมันจะโล่มันจะโกรธคือแบบพี่อยากจะตัดความโลภความโกรธเนี่ยพ่ออาจารย์รู้สึกว่าเออแบบมันไม่ใช่พอพ่อาจารย์แนะนําเอ้ยเอาใหม่เริ่มเริ่มทำสติรู้สึกดีกว่าเยอะมากเลยพ่อาจารย์คือมันเหมือนเวทนาที่อาจารย์แนะนําอะค่ะพอทําตามที่พ่ออาจารย์บอกอะอย่างเวทนามันก็สามารถที่จะผ่านไปได้คือมันไม่กลัวพิเวทนาคือ คือมาไม่มาไม่เป็นไรเพราะเรานั่งได้สองสามชั่วโมงเราก็นั่งได้ก็รู้สึกว่าน่าจะทําเหมือนพิชภิษณุนาใช่ ไ, ไหมคะอาจารย์โลคโกดหลงค่ะก็ให้มั น, เ, น, เ, นเวลามาก็ให้มันดับมันให้ได้ก็แล้วกันเป็นโลคอยากได้อะไรก็้ามันมีความไม่มีความจำเป็นก็ต้องตัดมันไป<ช>ถ้ามีความจำเป็นก็ไม่ถือว่าเป็นความโลค จะค่อยๆดาเนินตรงนี้ไปเพราะรู้สึกตรงนี้ดีมากแล้วถ้าเกิดว่าเดินหน้านถ้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบเอเรื่องเคอร์ฟิวแล้ว่จะได้ไปไปเข่าต่อนะคราจารย์ว่ตอนเนี้พยายามเดินในบ้านเดินในป่า น, นั่งสมาธิใต้ต้นไม้พยายามฝึกตัวเองเอาไว้จะได้ไปที่นู่นแล้วจะได้แบบได้เป็นก่อบเป็นกรรมอาจารย์ได้ดีนะครับทุกท่าหมดคำถานแล้วรัอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะคุณแนนจากคุณนอนเชิญ ก, การนับปการคระค่ะมีอะไร <c oughs> ไ วันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคงังก็ฟังไปเรื่อยๆนะค่ะคุณทวิษาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไง่กับาวมรสการท่านผู้อาจารย์ค่ะวันนี้ก็เป็นวัออนปฏิบัติของเราค่ะผู้อาจารย์ปฏิบัติค่ะก็อยู่ในยังสติแล้วก็ฝึกสมาธิ ยังยังอยู่ในขั้นนี้อยู่ค่ะพระอาจารย์มันจะยังดุอยู่เรื่อยๆนะเ่ออยู่ในข่าวพะข่าวพระอาจารย์ยังดุดอยู่ค่ะเอาไปกินอย่างนั้นกินเรื่องนี้ค่ะาพาระอาจารย์แล้วก็มันเหมือนกับเวลานั่งบางทีแบบอ่ามีมีครั้งหนึ่งไปวันเสาร์ที่ผ่านมาไปนั่งบนเขามันหนาวมากมันกิเลสมันก็เลยเหมือนที่พระอาจารย์มันหลอกว่าอืมก็เลยหาพ่อห่มมาห่มแต่ทีนี้ก็ห่มไปเสร็จ นั่งไปพอลอนจะว่าเอ๊ะนั่นตอนที่พระท่านนั่งอยู่ในป่าฝนตกมันต้องหนาวมากกว่านี้ท่านยังทนได้ก็เลยแบบอืขาวสัตคือแบบคล้ายๆว่ามันขาดขาดความก็เรียกอะไรครับอาจารย์ขาดเ้าวอดทนสู้ไปเลยค้าวระอาจารย์ยังอยากที่อยากจะสบายอยู่ยังไม่อยากจะเจอทุกขเวทนาท้าวอาจารย์มันมันมันหนาวมากมันหนาวกว่เข้ากระดูกก็เลย ก็เลยว่าอ to ุ้ยถ้าอย่างนั้นก่อนนั่งแล้วก็เอาผ้าห่มมาห่มตัวก่อนแล้วก็นั่งจะได้นั่งในนานๆคือตอนนั้นก็คิดไปเพรานั่งจบมาเออเฮ้ยเราโดนกิเลสหลอกก็อยู่ที่ว่าเราตอนนั้นเราต้องการที่จะปฏิบัติในลักษณะไหนถ้าเราต้องการความสงบเราไม่ต้องการทรมานร่างกายเราต้อห่มผ้าได้ถ้าเราต้องการที่จะฝึกสิธิ์ให้อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายให้ความหนาวเย็น ตอนนั้นเราก็จะไม่ต้องห่มก ไ, ได้ก็อยู่ที่<อ>กรณีของการปฏิบัติตอนนี้ขณะนั้นว่าตอ้องตอนนี้เราต้องการฝึกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ฝึกให้จิตสู้กับทุกขเวทนาคือความเจ็บที่ได้จากความหนาเวเย็นอย่างนี้เราก็ยังไม่เห็น ผ, ผ้าแล้วก็ผมมากแต่ผมแบบธรรมดานุ่งเสื้อผ้าแบบธรรมดาแล้วก็ ใช้ความหนาวเย็นนี้มาเป็นตัวสร้างทุกขเวทนาให้เราใช้สติปรับใจให้อยู่กับมันให้ได้หรือใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งทุกขเวทนาที่มีเกิดแล้วมีดับมีมาแล้วมีไปเราไปห้ามไปสั่งมันไม่ได้เวลาที่จะเจ อ, เจอมันเราก็ต้อง สอนใจให้เราอยู่ประมาณให้ได้ด้วยการทําใจเราให้นี่งโดยสติอันนี้ก็ฝึถ้าแต่เราต้องการจะฝึกอะไรตอนนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการเพื่อจะเข้าสมาธิให้สติพุโทโธพุโทโธแล้วจิตเข้าสู่ความสงบก็ะจะห่มผ้าก็ได้ไม่เป็นปนัญหาเลยคือตอนแรกคือตอนนั้นเราคือความคิดตอนนั้นก็อเออเราอยาก นั่งได้แบบนานๆให้แบบให้เหมือนกับ <uc> อยากเข้ารลวงสมาธิอะไรก็เล ย, ก, เลยก็เลยมีความคิดเกิดเออเตรียมตัวก่อนอย่างดีพอออกมาเสร็จก็เลยอืมไอเราโดนหลอกหรือเปล่าก็เลยคิดอย่างเนี้ยค่ะก็โดนหลอกเพราะอาจารย์นั่งผ่านเวทนาได้มันเท่าจะสงบได้นานอย่างเี้ค่ะก็คือโดนหลอกนะคะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เอาใหม่ครับพระอาจารย์แต่ถ้าตามปกติแล้วก็ต้องดูแลร่างกายไปนะถ้ามันหนาวเย็นก็ต้องมีผ้าห่มเนี่ย อะไรตามธรรมดาแต่เวลาเราฝึกนี่อาจจะมีบางครั้งที่เราอาจจะไม่ไม่ไปหงมันก็คือเหมือนเหมือนจำลองสถานการณ์ใช่จำลองสถานการณ์เวลาที่เราเจอความเจ็บปวดทางร่างกายแล้วเราไม่มีอะไรมาแก้มันได้เราก็ต้องฝึกที่ใจแก้ที่ใจให้ฝึกให้ใจอยู่กับมันให้ได้ ออาศัยสมาธิเป็นปกตินล้าแล้วก็หอมผ้า <Okay. S 1> แต่ น, นี่มีไว้เผื่อเวลาต่อไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะติดโควิดอะไรนี้ไนมา <Okay. S 1> แล้วมีอาการป ว, วดรวดร้าวทั่วสะพานกายอย่างนี้จิตก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราฝึกมาแล้ว <Okay. S 1> นะเข้าใจนะ เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะกล่าวขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะเบื้องต้นเลยก็พยายามฝึกสติให้มากๆกอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องได้ยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีค่ะพระอาจารย์แล้วเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายแล้วเวลาเจอเวทนาทุกเวทนาก็จะใช้สตินี้ผ่านมันได้ไม่ต้องเดินที่ไม่ต้องลุกไม่ต้องหนิ่งมัน อาจารย์น้องรับปฏิบัติค่ะพอาจารย์โ <Okay. S 1> อเคคุณกรัาจารุด ค, ค่ะคุณรัลลิจารยคุณริอาตมาลัทธิการหลวงพ่อครับขอสอบถามว่าการให้กําลังใจในทางพุทธศาสนานั้นมีหลักการเช่นใดครับก็ให้ธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่เป็นตัวที่จะให้กําลังใจดีที่สุดบางเทศครากตามของพระพุทธเจา้าของครูบาอาจารย์แล้วมันก็จะเกิดกําลังใจ ขึ้นมาค่อธรรมะเป็นความจริงอนให้เรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้เชั่อรู้อะไรเป็นตัวที่มาทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวหรือว่าอะไรทำให้จิตใจเราเบิก บ, บานพาเราฟังแล้วเราก็อะไรที่ทำให้เราห่อเหี่ยวเราก็พยายามตัดมันไปอะไรที่ทำให้เราเบิกบานก็พยายามสร้างขึ้นมาครับ การสวดอนุโมทนาบุญให้พรก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจเช่นเดียวกันใช่ไหมครับหลวงพ่อโดยการสวดนี่มันเป็นการฝึกสตินะครสวดแล้วมันก็จะทําให้เรามีสติสติพอมีสติมันก็จะทําให้ใจเราเข้มแข็งมากการเอาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนี่ถือเป็น ส, สติ๊กับฝึก ส, สติ๊กับตัวอะไรอ่ะ พุทธานุสติอันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อแบบนึกถึงคุณงามความดีของพระนึกถึงคุณงามความดีของปุระเจ้าพระสงฆ์ได้มันก็ทำให้เรามีกำเราก็จะทำให้เราเป็นกลังใจที่อยากจะทําความดีเหล่านั้นขึ้นมาเดือนนี้เห็นเป็นเดือนเกิดของหลวงตามหาบัวแล้วก็ของท่านปัญญาที่เสียไปก็เมื่อนึกถึงคุณงามความดีของท่านก็ทำให้เราแบบมีกําลังใจในศาสนาพุทธมากขึ้นเหมือนกันครับหลวงพ่อ ก็เป็นสังขารมัติภิกขะนึกถึงพระสงฆ์พระอริยสงฆ์นึกเหนเห็นท่านเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราควรจะฝึกฝนอบรตัวเราให้เหมือนท่านให้ได้เป็นแล้วการที่เราคือแล้วกันที่เรานึกถึงความดีของท่านการปฏิบัติบูบชาคือการตอบแทนที่ดีที่สุดใช่ไหมครับครับปฏิบัติตเพื่ออให้เราทําตามที่ท่านปฏิบัติที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติัน มีเพื่อนผมคนนึงฝากคาถามมาว่าเป็นเกี่ยวกับคุณแม่จันดีน้องสาวของตามหมาบัวว่าความยึดมั่นถือมั่นในส่วนต่างๆขันห้านี้เมื่อมันหมดลงแล้วมันว่างมันสว่างแตใง่ให้ระวังขันห่าในจิตอีกนะมันเขาหักปากถามมาอย่างนี้อยากทราบว่า แ, แปลว่าอะไรคุณหลวงพ่อพอทราบไหมครับคือขันเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยกั บ, กบจิตใจ ขันขันขันห้าเนี่ยมันมีแ บ, บ่งเป็นสองส่วนคือร่างกายกับเรียกว่ารูปประขันแลส่วนนา ม, มาขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารานิญาณเนี่ยมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับจิตใจด้วยเกี่ยวข้ อ, ของกับร่างกายด้วยอาจารย์ ดังนบางทีเรารเราเราปล่อยวางส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกายได้แต่เรายังไม่ได้ไปปล่อยวางเกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นจิตใจคืออารมณ์ต่างๆอ๋<ร>อครู้สึกต่าต้องต้องปล่อยทั้งสองส่วนปล่อยทั้งส่วนของทางร่างกายแล้วก็ปล่อยทั้งของส่วนของจิตใจด้วยอ๋อครับก็ มันคือมันเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองไหมครับหรือว่ามันมาพร้อมกันนะครสติปัฏฐานเนี่ยมันร่างกายแล้วก็เวทนาแล้วก็จิตสามขั้นร่างกายกับเวทนามาด้วยกันเวทนามาเวทนามันมาจากทั้งทางจิตและทางร่างกายเรื่อ่อนกรเอากายกับเวทนาทางร่างกายก่อนเสร็จแล้วก็มาเอาเวทนาทางจิตต่อครับขอบอกขอบคุณครับวันนี้ร่วม ร่วมเงินสะพาน<อ>าพานิาลาอะไรน ะ, ะนัได้สาธุน อ, นอกจากนั้นความนธมทนาขอบคุณพระคุณหลวงพ่ อ, อย่างยิ่งต้องส่ไ ป, <ด>ไปที่ท่านต่อไปคุณตุ๊กติ๊กเลยคุณตุ๊กติ๊กได้ไม่ปิดอยู่ที่ไหนยังเปิดไมไม่ได้เปิดได้พูดได้เลย า่ะนรัตการพ่าจารย์ค่ะอ่าอยู่ที่ไหนนะปทุมธานีค่ะลำลูกกาปทุมธานีค่ะมีคำถามอะไรไหมมีค่ะก็เรื่องส่วนมากจะที่มีปัญหาสงสัยตอนนี้คือหลังออกจากสมาธิค่ะเวลาจะนอนอะคะ่ะเหมือนเมื่อคืนนี้ค่ะนั่งนั่งได้ดีมากเลยนั่งเกือบสองชั่วโมงอะค่ะมันก็จะแบบเบาสบาย ตอนแรกก็ยังไม่อยากออกแตะก็เห็นมันจะสีส่ทุ่มกว่าละพอจะนอนเหมือนจะหลับอ่ะค่ะเคลิ้มๆแต่ยังไม่หลับนะคะคําภาวนามันก็กลับมาเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดเข้ามาปุ๊บก็เลยทําแบบนอนไม่ได้มันก็ภาวนาต่อทั้งๆ ท, ท, ที่เราจะนอนแล้วอะค่ะก็ไม่เป็นไรก็าภาวนาในท่านอนไปขนไะด้เดี๋ยวเมา่อหลับเอง แต่นานมากเลยนะคะกว่าจะหลับได้มันก็เลยรู้สึกแบบก็ต้องยอมรับสภาพของจิตบางทีมันต่อเนื่องจากการนั่งสมาธิของเรามามันก็เลยยังถูกพันกันอยู่มันก็ไม่เสียหายอะไรถือว่าไม่ไม่ผิดปกติใช่ไหมคะไม่ผิดปกติเพราะว่าพอเราออกปุ๊บแล้วเราไปนอนเลยอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาภาวนาต่ อ, อก็เลยงงแบบเอ้าฉันจะนอนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาไม่ยอม เหมือนกับระดับเครื่องแล้วแต่ปิดกุญแจแล้วแต่เครื่องมันยังไม่ยน ย, นยอมยอมหยุดทํางานแต่จริงๆก็ไม่ได้ง่วงนะคะตอน<ช>แรกยัางแบบหรือจะลุกขึ้นมานั่งเลยดีไหมอะย่าเงี้ยก็ได้ความจริงเวลานั่งสมาธิถ้าไม่จําเป็นจริงท่านเจ็บมันสงบอย่าไปบงังคับมันให้ให้ใ ห, หยุดหรอกให้ปล่อยให้มันสงบจังรารมันจะหมดกําลังมันเองใช่ค่ะเพราะว่าตอนตอนออกจากสมาธิก็ ก็บอกว่าเออหนูขอออกจากสมาธินะคะนานมากเลยค่ะกว่าจะแบบออกได้อ่ะค่ะอ่จริงถ้ามันยังไม่อยากออกก็ปล่อยให้มันอยู่ต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องนันนว่าการทําสมาธิก็มันเป็นการท้าจิตไปในตัวอยู่แล้วในเวลานอนก็อาจจะน้อยลงได้เวลาแต่สมาธิแล้วกลมานอนก็ได้หนูก็ห่วงกลัวเดี๋ยวพักผ่อนไม่เพียงพออ๋อเนี้ยอ๋อเนี้ยจิตไ จิตได้พักผ่อนเยอะตัวพักผวที่สำคัญก็คือตัวจิตถ้าจิ ต, ตได้พักผ่อนเยอะ<ๆ>นอนจริงๆสี่ห้าชั่วโมงก็พอสาหรับร่างกายจริงๆตอนนั่งก็เหมือนได้พักผ่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่มันเข้าไปลึกๆมันไม่ได้คิดอะไรเลยอะ ừ, เหมือนอยู่อยู่ในอวกาศลอยเคลื่องอยู่อย่างนั้นอะคะ่ะใช่มันก็เหมือนกับนอนคือนอนนอนแบบมีสติมีความรู้สึกตัว คือแล้วก็คําภาวนาก็แบบชัดมากเหมือนอยู่แบบติดกับคําภาวนาเลยอะค่ะลอยเล้งค้านอย่างนั้นแล้วก็ติดอยู่กับคําภาวนานี่ยนะคะใจก็ไม่อยากออกแบบเหมือนไปบังคับเขาออกค่ะออนานรับโอกาสหน้าอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันออกมาเองเออมีหน้าเหรอไปนอนต่อก็ภาวนาเองเฉยเลยหนูก็ไม่รู้จะท็มันอยากอ่อนนงก็ภาวนาลุก็ึ้นมานั่งต่อไปได้ เดี๋ยวมันบวมแรงมันก็อยากมันก็อยากจะนอนเองมันก็จะหลับง่ายทำใจแล้วค่ะต่อไปจะได้จะได้ปล่อยเขาอถ้าเขาไปในทางที่ดีก็อย่าไปผล่้อแล้วก็ไปสู่ความสงบก็อย่าไปเผล่เข้าถ้าเขาไปทางพุ่งสร้างก็ต้องฝืนบังคับในสติให้เับสงบตัวในช่วงนี้ก็ได้วันหนึ่งสามรอบตื่นนอนตอนบ่าย แล้วก็ถ้าไม่เย็นก็จะก่อนนอนค่ะก็จะดูดูคนในบ้านช่วงไหนที่เขาสงบกันเขาไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรกันก็จะว่างปุ๊บก็จะเข้ามานั่งเลยช่วงระหว่างช่วงระหว่างนั่งก็ต้องฝึกสติไปด้วยนะจะได้นั่งเร็วจะได้สงบได้ง่ายได้เรยเรารู้สึกว่าถ้าถ้าสงบมันจะเข้าเร็วมากเลยอ ะ, อะถ้าสิ่งแวดล้อมมันไหนที่แบบคนในบ้านเขาไม่ คุณวายกันมากก็เข้าเข้าสมาธิเร็วมากเลยค่ะอีกช่วงนึ่ก็สติด้วยถ้าเราฝึกสติไว้ดีมันเข้าจะเข้าง่ายและเร็วด้วยถ้าไม่ฝึกสติบางทีเวลาม่นั่งมันจิตมันก็ยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็สงบได้ยากเน้พยายามฝึกสติด้วยเวลาที่ไม่ได้นั่งบังคับให้มันอยู่กับพุทโธหรือบังคับให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ คิดอาจารย์บอกตั้งแต่ตื่นนอนเลยอะค่ะตื่นนองก็พยายามอยู่กับตัวเองพอคิดออกไปปุ๊บก็รีบกลับมาก็รู้สึกว่าแบบกลับได้เร็วมากตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยค่ะทํากับข้าวก็ถ้าวันไหนอยู่กับตัวเองเงียบเงียบก็หั่นผักก็บอกว่าหั่นผักล้างมือล้างผักคือจะเห็นแค่ตัวเองแค่นั้นนะคะนั่นแหละถูกต้องนั่นคือวิธีฝึกสติก็ถ้ว่างก็จะฟังทำก็จะได้ปัญญา คือฟัง<ห>ปัญหาที่แบบคาใจหลายๆเรื่องบางทีจะรบกวนถามอาจารย์ทุกเรื่องก็ก็เก่งใจอะคะอ่ะแต่พอฟังทำของพระอาจารย์เหมือนพระอาจารย์มาตอบให้เลยอะคะอ่ะฟังทำสลับกันไปฟังเจริญฟังคลิปจาก y o u t u ู e มั่งของพระอาจารย์นะคะก็ได้คำตอบอยู่ในนั้นเลยอะค่ะฟังทำนี่ก็สำคัญจะได้ คลายความสงสัยได้ได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทําให้เรากําจัดความลังเนสงสัยมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องมีความสงบด้วยแล้วก็เข้าใจเข้าใจง่ายมากค่ะที่ที่พระอาจารย์แสดงธรรมไว้ในแต่ละคิดหนูฟังแล้วหนูแบบใช่เลยใช่เลยแบบคําตอบนี่แบบตรงกับใจที่แบบที่ที่หนูคิดไว้เลยอะค่ะ แตัวอย่างที่หนูสงสัยก็ก็แบบเข้าใจเลยอะค่ะกระจ่างเลยอืมีดทาต่อไปนะโยไม่มีคําถามแล้วใช่ไหมค่ะหมดคําถามแล้วค่ะคขอบอพระคุณพระอาจารยค่ะไปที่คุณคันชิตตอคุณคันชิดเชิญจากอะไรนะจากที่บางแสนใช่ไหมําให้เป็น ไต้หวันครับไต้หวันคนอบอยู่ไกลยากบางแสนเยอะแล้วไต้หวันอยู่ก็เมือนอยู่เมือนไทเปแหละครับอยู่ไทเปครับไปทำงานอะไรเลยต้อททำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอิเล็กทรอนิกส์ขสร้างไว้ว่าทำให้กับบริษัทอทำบริษัทที่เราเกิดทำเกี่ยวกับโทรศัพท์แบบ เป็นช่างหรือว่าเป็นคนทำานงา น, ำนในโรงงานทำงานในโรงงานครับแล้วได้กลับบ้านหรือเปล่าบงกลับไปสองครั้งนะครับมีคำถามอะไร้วยวันนี้มีครับว่าแต่เวลานั่งไปแล้วมันก็หยุดมืดมืดมื ด, มดไปแล้วา็ แส่ออกครบมืดมืดมืดไปนานมากครับแล้วก็ก็ต้องได้มาหยุดก่อนัเวลานั่งอย่านั่งเฉยๆเลยนะนั่งมันต้องอยู่กับพุโทโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจแล้วมันจะมืดไม่ไมืดไม่ไม่เป็นปัญหาเลยไม่สมคัญติดตาเราก็ต้องมืดเป็นธรรมด า, นานแต่้มันสว่างกับพุโทโธมันสว่างกับลมหายใจ กรจายไหมครับนะถ้านั่งเฉยๆปิดตามันก็มืดแต่ถ้าพูดโธวพูโธ้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมนมันไม่มืดมันดูลมหายใจเข้าออกแต่มันไม่มืดมันไม่สว่าะมันไม่เป็นประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าจิตเราเกอะติดอยู่กับพูดโธ้กาะติด อ, อยู่กับลมหายใจแล้วมันก็จะเย็นจะสบายนะ นเนั่งสมาีิต้องมีสตกิกำกับจิตนะจะใช้พุโทโธกันสติก็ได้จะใช้ดูงลมงหายใจเข้าออกก็ได้มันจะมืนยังไงก็ไม่เป็นปัญหาเลยขอให้มันสงบก็แล้วกันไม่ให้มันฟุ้งซ่านมีอะไรไหมนะมีอีกเท่าไหครับว่า จะร่วมท้ บ, บุญกับดวงตามไม่รู้ว่าจะโอนไปเลขบัญชีอ่เยอะไปตต่อคุณร้าก็แล้วกันนะคนร้านเยอะคุณา้ณานจะส่งข้อความไมมดครับโอเคนะสาธุนะโมตนาขอบคุณมากครับ เ, เมาลาพรจังหวัดเลยเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยยังไม่ได้เปิดใหมเ่เลยเปิดไหม่ก่อน ค่ะนมัสการเจ้าค่ะอ่าเพิ่งเข้ามาค่ะแต่ว่าก็อ่าติดตามพระอาจารย์อยู่บ่อยๆค่ะก่อนที่จะไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าอ่าอยากฝึกสติในการทํางานค่ะไปด้วยค่ะก็เลยวันนี้อยากจะขอแนวทางพระอาจารย์นะคะว่าอ่าอ่าเวลาที่เราใช้ธรรมะร่วมกับ การทํางานเนี้ยค่ะมีมีแนวทางในในใ น, นการนี้อย่างไรค่ะปฏิบัติอย่างไรค่ะก็เราก็ต้องมีสติกํากับใจเราให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ดูว่าเราร่างกายกาลังทําอะไรกําลังเดินก็ต้องรู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่ ง, ง, งกําลังอาบน้ำนำหน้ า, นาแปลงไฟอย่างที่โยเมื่อกี้เขาอกกำลังทำกับข้าวเรให้อยู่กับางาน ไม่ ใ, ใจไปที่อื่นไม่ ใ, ใจไปคิดเรื่องอื่นไม่อยู่กับเรื่องที่เราที่รา่างกายกำลังทำอยู่อันนี้เป็นการฝึกถนับใจเรากับตัวเราแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราก็ต้องใช้เมตตาครวณไม่ดีใจสำความเมตตาเกลียดใครก็ต้องช่นวนไปเลียดไปเพื่อนกันทัดใจกันเป็นการฝึกตัวกันดูที่การวิ่ง 我拿个手机，前面下面能看见吗？能看见。可以你在哪？怕。不方便，可能可能在在在做作业，咱再说看，看看看作业，看作业，看啥？ บริการจะแสดงความที่นรมเวาที่เขาทำงเวกาเขาได้เดินขั้เดินตำแหนได้เกิดขึ้นบรการว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ช่วยนอไม่ได้อยู่สุดวิสัยจะต้องทาใจเฉยเอย่าไปตุ้เดือดร้อนบีเราก็ไม่ได้ทาได้ไม่สามารถทำได้ทุกย่างทำไม่ได้ก็ต้องทำใจเฉยเยอยไปเสียใจอย่าไปเดือดร้อน นีการฝึกทำที่เราควรยางมีในการที่เราเกี่ยวข้องกับคนที่มีเวลาเกี่ยวข้องกับคนที่เราสา น, สานจาหมแ้วถรามีเวลาก็สึกสมาธินั่สมาธิทาใจให้สงบแันน้วใจยังมสงบแล้มันจ ะ, นนะะจทาให้เรามีความเมตตาปรินามุด้สามารถเป็นความเมตตาจน มีอะไรใช่ okay. ไหมมันไที่คุณสุภาพรคุณสุภาพรจะ อ, อยู่ก็ทรองกลับนมัสการค่ะพ่อาจาันอ่อวันนี้มีคําถามค่ะคือสังเกตค่ะเหมือนเหมือนบางครั้งจิตรู้สึกสติมันจับได้ว่าจิตมันยังมี มีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองค่ะเหมือนเหมือ น, นรู้ว่ารู้ตานแล้วก็อยาไปยึ ด, ยดใช่รู้ว่ารู้ว่าเป็นความคิดเกิดดับไม่ใช่ตัวเราของเราแต่สามารถใช้ปัญญาพิจารณาได้ว่าเป็นความคิดที่ถูกวิสข์ได้เป็นสัมมาสัปโปแวิสาสังกัปโปได้คือถึงบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันถูกแต่เราอยากแบบอยากยอมแพ้ไปเลยแล้วจะได้แบบ ไม่มีความขัดแย้งอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็ได้ถ้เราถ้าเรา ไ, <ด>ไม่ต้องการที่จะไปมีเรื่องกับใครก็รู้ว่าเราถูกแต่เราไม่ต้องการที่จะมีนยัในความถุกตศร้าของเรากับเขาค่ะก็ปล่อยให้เขาคิดไปตามเรื่องของเขาแล้วก็ไม่เยึดกับความคิดของเราก็เรื่องของเขาเลยเราก็ไม่ต้องไป ย, ยั่วยุให้กับเขาค่ะ แต่ว่ากว่าตอนนั้นก็คือกว่าจะคิดได้ก็คือมันมันผ่านผ่านขัดแย้งไปแล้วอะค่ะแต่วินาทีนะสติไม่ทันแต่ถ้าเช้าไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเพราอมันจะเริ่มโตแยงง่งกันเขาบอกเอ้ยไม่ใช่เรื่องเขาจะเขาจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของเขาไปข้างหน้ากมันอาจจะไม่ทันเพราะมันไม่มันไม่ไม่รู้ว่านี่คือวิธีที่เราจะต้องทำแต่คั้งต่อไปเราก็จะเราก็จะเตรียมเตรียมตัวแล้วเวลาเราคุยกับใ แรกเปลีาอามคิดเหมือนี้บใครเราก็จะต้องระมัดระวังว่าเราจะไปเราจะไปอบังคับให้เขาคิดเห็นเรียนดาวหรือเปล่าค่ะคือถึงแม้ว่ามันจะถูกก็ยอมยอมไปเลยนะคะเพราะว่าพอถ้าทำ<พ>อยู่างที่ว่าเขารับได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่รับจี่ไปย่างนี่เขาได้ยังไงค่ะใช่ไหมแต่เราพูดได้ว่าเราคิดอย่างเงี้เราเห็นอย่างเนี้ยแต่ท่านก็บอกเขาไม่เห็นด้วยก็จบ ใช่ใช่บอกเธอต้องเห็นด้วยกับฉันเธอเป็นแฟนฉันแล้วเธอไม่เห็นด้วยฉันจะไม่เป็นแฟนเธแล้วนะอย่างนี้มันไม่ถูกใช้อารมณ์ใช่ตามใจด้วยหมถมีภรรญาวันนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยทะเลาะกันก็เพราะเรื่องนี้ค่ะค่ะอืมอีกเรื่องนึงนะครตัว ต, วตวนม า, าตัวตวนมาสู้กันเนี่เยเอาตัวตวนมาสู้กัน เป็นเป็นภรรยาเธอเป็นสามีเธอต้องฟังฉันเธต้องเชื่อฉันค่ะไอตัวตัวอารมณ์ของจิตตรงนี้เนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนในโลกธรรมแปดไหมคะมันไม่ใช่ใช่ไหมคะสรรเสริญเนี่ยสรรเสริญนี่อโออโอเป็นสรรเสริญใช่ไหมคะใช่ตาเห็นด้วยวเหมันสรรเสริญแต่เห็นด้วยเออดีถุดต้องอ๋อค่ะ คือปกติเวลาเราเขาแยงแ่งเรเเหมือนนินทาเราขัดแย่งกับเราอ๋อค่ะค่ะหนูก็หนูก็พยายามที่จะ classify มันนะว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนนะเพราะว่าปกติเวลาที่เราจิตไปเจออารมณ์ต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอะค่ะพระอาจารย์มันจะมาที่ราบสันเสริญนินทาตำหนิอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นเลยค่ะชจใช่มันก็อยู่แค่สีลูกกระทาสีเนี่ยลกระทำส ค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีเป็นสามสิบเรื่องยี่สิบเรื่องแต่ว่าพอเลือดจะตกไปดูอ่ะมันจะมีแค่แค่ตันเองแล้วเท่านั้นเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่แต่ว่าไอ้ตัวยึดมากนถือมั่นในความคิดหนูก็นั่งคิดนะมันเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรหนูว่ามันอยู่ส่วนไหนของโลกธรรมแปดออมันอยู่ในสังเติร์นใช่ไหมคะเข้าใจละค่ะดีใจมากเลยค่ะพระอาจารย์ช่วยได้เยอะเลยค่ะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะพระอาจารย์คือช่วงที่ผ่านมาชีวิต อในบ้านนี้คือมีมีปัญหาเยอะมากเลยค่ะพอาจารย์แล้วก็อหนูว่าหนูไม่เข้าสมาธินะคะหนูนั่งสมาธิก็จริงแต่หนูว่าหนูไม่ได้หนูไม่เข้าสมาธินะค่ะแต่หนูก็พยายามนั่งไปแล้วก็ออกมาแบบไม่ค่อยมีสมาธิค่ะแต่ว่าในระหว่างวันที่พอเรารู้สึกว่าเออเราทํางานเหนื่อยแล้วเราอยากจะเบรกอยากจะพักปัญหาแล้วหนูก็จะชอบหลบมาหลบมาอยู่กับอารมณ์สงบอะค่ะหนูก็ยังแปลกใจนะคะว่าหนูไม่มี ไม่ได้สมาธิมาเป็นอาทิตย์แล้วอะค่ะแต่ว่าอารมณ์สงบที่มันยังอยู่ในใจอ่ะมันยังมีอยู่อะค่ะเพราะว่าเวลาเราอยากจะพักอยากจะหลบมันจะจะชอบมุดเข้าไปในความสงบอ่ะค่ะมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะอมันยังมีถ้าเรารู้จักวิธีเข้ามันก็เข้าได้ทุกครั้งที่เราต้องการค่ะมันมันไม่ได้เข้าไปถึงอารมณ์เบเกะเลยนะคะคือพียบอกว่ามันอยากจะพักอาจจะขึ้ื่องนก็ได้อาจจะขึ้น่องยานก็พักจิตขึ้นค่ะ เหมือนกับว่ามันอารมณ์สงบที่เคยสะสมมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันยังไม่เสื่อมใช่ไหมคะไม่ไม่หรอกไมู่่ที่สื่อมของเราไปของเก่ามาท้าได้หมดแล้วแต่เราสามารถผลิตมันขึ้นมาใหม่ได้ด้วยสติของเราหยุดความคิดตํางหลับจิตให้มันหยุดคิดมันก็อารมณ์สงบก็กลับขึ้นมาได้ค่ะค่ะเอออะ คุณภาพของสติที่เรามีมาเรื่อยๆเนี่ยมันมันจะเสื่อมไหมคะเออหนูสังเกตว่าลักษณะของสติเนี่ยมันมั น, ย น, นอยู่ที่เราจะรักษามันแลือไม่รักษาถ้าเราไม่รักษามันก็เสื่อมได้ทำอะไรแบบไม่ใช่สติมันเดี๋ยวมันก็เสือ่อมต้องใช้สติทุกเวลาไม่ว่าจะทําอะไรค่ะหมายหมายค่ะว่าคุณภาพของสติหมายความว่าเออคือเมื่อก่อนเราจิตอ่ะจะจะมีสติจับ กับเวทน า, ต, าต่างๆที่มันเอาอาจจะใหญ่หน่อยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าสติมันจับอะไรเล็กๆได้เอตรงนี้อะค่ะมันมันจะเสื่อมไหมคะหรือว่าต่อไปมันจะไม่สามารถก็เสื่อมไม่เสืมม่อมที่เราจะรักษามั น, มมน ถ, ถ้าไม่รักษามันถ้าไม่รักษามันนก็เสื่อมได้ค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ ดีใจเลยค่ะโอเคสาธุสาธุมอบต่อจากเมืองนครมงนครเนี่ยอยู่ที่นเมืองนครนครสีนาเลยนี่ยสีธรรมราต์ไม่ได้ยินเสียเลยไม่ของคุณไม่ได้มีสัญหาถ้าเครื่องของคุณมันไม่ไม่ตอบรับเสียงคุณ คุณจะเป็นเพราะว่าช่วงที่คุณเข้ามาช่วงแรกคุณไม่ได้กดปุ่มที่เขาบอกให้กดให้ใช้ใช้ไมโครโฟนของของเครื่องมันก็เลยไม่ทํางานตอนนีเวลาจะต้องออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่นะลองพูดดูสิไม่ได้ยิเสียงเลยไม่มากเลยเสียงคุณไม่เข้าเลยออกออกจะห้องใหม่ๆแล้วกลับเข้ามาใหม่ ไปที่คุณมาลีจ้าคุณมาลยใช่พูดได้เลยค่ะหลงพ่อค่ะเข้ามาใกล้ๆหน่อยเสียงเบาได้ได้ยินนะคะได้ยินนะคะหลวงพ่อคะวันวันนี้หนูรบกวนถามหนะะ่อยค่ะคือถ้าเราได้รับรู้เหตุการณ์ของบุคคลที่เราไม่ได้รู้จักแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เตร้าสะเทือนใจ แล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันเวทนาเขาอ่ะค่ะหลวพ่อถึงขนาดแบบมันมันน้ําตาไหลยอย่างเงี้ยค่ะและ้วทีเนี้ยกว่ากว่าจิตเราจะมาระงับได้อย่างเงี้ยค่ะมันแต่ว่าน้ําตามันไหลไปแล้วมันร้องไห้ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะถือว่าถือว่า เ, ออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับตัวเรา อย่างนี้ยค่ะแล้วทีนี้ไอ้ตรงปัญญาที่ที่หนูจะไปใช้ตรงเนี้ยค่ะมันมันเหมือนมันไม่ทันกับเหตุเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันทําให้เราต้องน้ําตาไหลยอย่างเงี้ยมันถือว่ายังยังใช้ปัญญาแล้วยังยังไม่ผ่านใช่ไหมคะหลวงพ่อคือถ้าเราไม่ทุกข์กับมันถึงแม้จะน้ำตาไหลก็ก็ไม่เป็นไลไม่ได้เศร้าเสียใจแบบทุกข์ทรมานใจมันอาจะสมสมเพสเวทนาหรือ รู้สึกสงสารเข้าแล้วก็น้าตาไหลนี่มันก็ไม่ได้เป็นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ได้เป็นเรื่องทุกข์อะไรสักมันรู้สึกเวทนาค่ะมันรู้สึกเวทนาเขาจนจนแบบเรารู้สึกว่ามันร้องไห้ออกมาแล้วพอสักคักหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อหนูอาจารย์เรียกว่าขาดสติช่วงนั้นนะฝ่ายฝ่ายให้ใจเราเคิรมไปกับเหตุการณ์ที่เลยค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็มามานึกนึกถึงคาที่หลวงพ่อสอนว่า อย่าไปหาทุกให้ให้มันทำหาอะไรที่มันสิ่งที่มันทำให้ใจเราทุกข์อะค่ะแล้วมันก็ใช้ปัญญาว่าเราเสียใจเราเศร้าอะแต่ว่าเราช่วยเขาไม่ได้เขาฟื้นขึ้นมาไม่ได้หรือว่ารักษาเขาไม่ได้อย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็เลยเลยหยุดหยุดขึ้นมากับชันสันแล้วค่ะหลวงพ่อใ ช, ใช่ต้องปล่อยวางะฉนนั้นยังอาจจะมีความอยากที่จะช่วยเต่ก็อยู่ก็ได้ เราช่วเหลือไม่ได้ก็เลยเสียใจอย่างนี้น้ำตาไหลเพราะการเสียใจก็เป็นทุกข์มันมันเห็นแล้วมันเวทนาเขาว่าค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วทีเนี้ยจะลบกวนถามหลวงพ่อว่าเขาเขาตายแบบทุกข์ทรมานอย่างเงี้ยแล้วแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้รู้จักหนูหรือว่าอย่างเงี้ยหนูจะไปใส่บาตรถวายทานอุทิศบุญให้เขาเนี่ยเขาจะได้ไหมคะหลวงพ่อ ได้เราอุทิศบุญได้เขาได้แต่เขาจะรับหรือไม่รับอยู่ที่สถานภาพของเขาเราเขารอรับบุญจากผู้รู้าดหลวงพ่อแต่เราอุทิศบุญได้ทั้งสรรพสัตว์ทั้งปวงดวงวิญญาณทั้งหลายที่เรารู้จักและไม่รู้จักเนี่เราอุทิศให้ก็ได้หมดถ้าเราต้องการจะอุทิศค่หลวงพ่อแล้วแล้วอีกอีกอีกคาถามหนึ่งค่ะพอดีเมื่อกี้ พี่เออ่ะเขาถามไปแล้วเรื่องความว่างแต่ที่นี่หนูฟังฟังเทศของหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าพอฝึกไปจนถึงขั้นอุเบกขาได้ได้สมาธิแล้วอะค่ะแล้วแล้วแล้วจิตสมมติว่าถ้าเกิดได้จนถึงแบบอยู่กับความว่างมองเห็นอะไรว่างไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลต้นไม้สิ่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไอความว่างตรงเนี้ย หมายถึงยังไงคะหมายถึงสิ่งที่มองเห็นเนี่ยหมายถึงว่างยังไงคะว่างจากความคิดตุงแต่งในวงแต่งว่าเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้เป็นคนสูงคนต่ำเป็นคนรวยคนจนอะไรหมายถึงในจิตของเราเองอใช่ไหมคะในจิตของเราเราเห็นเฉยๆไม่เฉยๆไม่ไปไม่ไปติดป้ายไม่ไปอ่านป้ายของเาว่าเขาชื่ออะไรนามากุลอะไรมีฐานะอะไร น่ารู้ว่าจักแต่ว่าเป็นรูปที่เห็นเห็นรูปไม่เหนเสียงศักแต่ว่าเสียงที่เห็นไม่ได้แปลแปลความหมายว่าเป็นเสียงชมหรือเสียงด่าว่างจบกว่างจากสมุนทั้งดวงถ้าเป็นร่างพยนเ่ยมันเป็นอย่างเงียบไม่มีคนพากไม่มีเสียงค่ะแล้วแล้วท่านอธิบายว่าอะไรนะเห็นเห็นความว่างแต่ว่าก็ยังว่างไม่จริง ท่านบอกว่าเหมือนเหมือนอยู่ในห้องว่างแต่ว่าตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในกลางห้องว่างอย่างเงี้ยค่ะมันหมายถึงอะไรคะยังมีตัวตนเห็นอยู่อตัวที่เห็นยังเป็นตัวตนองดับอะไรตัวที่เห็นนี้จะเป็นตัวตนท่านมันเป็นตัวรื่นเฉยก็คือตัวจิตของเราเองใช่ไหมค่ะหลวงพ่อใ่ตัวจิตเรายังเป็นตัวตนอยู่เห็นว่าเป็นเขาเป็นเราคถ้าไม่มีเเขาไม่มีเรา เข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีตันงเยอมีัตอนนี้หายดีแล้วตอนนี้หายดีแล้วค่ะแล้วแล้วเขาน้านัดให้ฉีดเข็มที่สองแล้วค่ะหลวงพ่อวันที่สามกันยาเนี้ยค่ะแ ต, ต, นนแต่แต่ทีเนี้ยหนูยังไม่แน่ใจว่าแล้วคนที่ แบบป่วยเป็นเป็นโรคเป็นเขาเรียกอะไรติดเชื้อแล้วแต่ว่ารักษาหายแล้วมันสามารถฉีดได้เลยหรือเปล่าตรงนั้นยังไม่แน่ใจ อ, อ่ะก็ต้องไปถามว่าถามหมอหน่าดูหนูหนูหนูถามแล้วแต่ยังไม่ได้รับคําตอบค่ะยังไม่มีใครตอบหนูค่ะแต่คุณหมอน <c oughs> หน้าตุจะตอบให้เขาหน่อยนะเดี๋ยวไปดในหอจากเทีร่ากันนะพอดีหนูหนูยังไม่หนูยังไม่หนูยังไม่ได้คําตอบค่ะ ฉีดได้ครับเป็นหายมาสักสองอาทิตย์เลยแล้วช่ไม่ซับอ๋อพอดีพอดีเป็นเป็นตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบสองกรกฎาคค่ะแล้วตอนนี้มันมันยี่สิบห้าสิงหาแล้วนะเดือนหนึ่งแล้วได้ครับได้ครับฉีดได้ใช่ไหมคบได้ครับจะทำให้เราเพิ่มภูมิกิ่รอีกครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอได้ครับช่วงนี้มีพวกเอเดสเตรนแปลกๆอะไรหนไม่มีข้อเสียครับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะคะสาธุสาธุขอบคุณค่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าทิ้งนะอ๋อข้าหลวงพ่อหนูหนูปฏิบัติพยายามปฏิบัติอยู่อย่างทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็คืนนึกได้ตลอดว่าถ้าไม่ได้ใช้ความคิดเนี่ยก็พุทโธพุทโธไปในใจให้ให้ตลอดนะคะหลวงพ่อได้ยูนได้ว่าได้โยนได้สบายมิสติ ค่ะช่วงวลามีทุกอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็นิดนึงแล้วเสร็จแล้วมันก็มีอะไรมาตัดใช่ค่ะตัดจะพยายามค่ะหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่อมากมากนะคะสาธุค่ะทั่วถึงธรรมนิยมบนเท้าทียวนะข่ากาลัราการค่ะค่ะอาจารย์ไม่เอาการเจ็บตั้งเจ็ดวันเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวดูกําลังก่อนค่ะ เ่องนี้ส่วันแสามวันแค่ะตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์เจ้านะคะสี่วันนะคะเอาไวกินได้นะอย่าไปเอาอย่าวันอย่าเอาวันค่ะแต่มันดีกว่าคราวที่แล้วแบบมันมันนั่งสมาธิดีเลยค่ะใช้ง่ายกว่ามันคราที่แล้วที่นั่งได้สี่ชั่วโมงวันนี้นั่งได้สี่ชั่วโมงแต่ว่า มันไม่มันไม่ค่อยดิ้นเลยค่ะมันอยู่อยู่ได้เยอะแล้วมันไม่มันไม่ค่อยต่อต้านค่ะค่ะูทาลไมไม่ไมีค่ะเ่นค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณตอนดวงดวงเกที่ทุวนเสาร์ นามาสการพอาจารย์มีคำถามไหมไม่มีค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมแล้วมากราบพระอาจารย์สาธุนพลกับแฟนเชิญมีอะไรไหมร่ผมไม่มีคำถามครับไม่มีคำถามเจ้าค่ะทำม่ได้เ่นี่นครับอยากขอบคุณเป็นไปที่คุณดอวดจิตนวหน้าทึ่ง กับนมาสการท่าอาจารย์ครับผนมะมาร่วมฟังธรรมครับไ่มคำซ้ำไม่มีคำซ้นะคนะระับพยายามปฏิบัติเก็บครับนะเตะนะครับช่วงเวลาท่นัสมาธิก็ต้องเจริญสติได้เยเจนั่นสมาธิจะสงบได้ง่ายได้เรได้นานไะด้นานรัรกๆ ก, ก็จะเป็นเรื่องเวลาครับน ท้งบอกงวันมันก็จะยุ่งมีมันช่วู้อะไรตกมีอะไรมาทั้งวันเวลา่นก็จะตอนตอนช่วงเย็นแล้วก็พยายามปฏิบัติพยายามตามสติแล้วก็พยายามนั่งกันพี่คนต่อไปพี่ก็พอสอนจากทีไหนี่ก็พอสอนพีพอสอนจากทหนดีไหม มีก อ, องทัพอังอัมพรพัฒษ์เชียงใหม่ด้วยครับดูำคำถามกับนวมัสการพระอาจารย์ครับรอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนจาพูดได้เลยครับผมอ่ผม เคยบวชนะครับบวชมาสองครั้งครับตอนตอนตอนทํางานที่ทํางานเขาให้ลาบวชได้นะครับผมเลยบวชตอนอายุยี่สิบห้าครับก็ก็ตามที่อาครับโบราณก็พูดมานะฮะอายุยีิบห้าก็ก็กลัวมันจะเกิดเหตุอะไรนะครับก็เลยไปบวชนะครับผมก็พยายามเต็มที่นะครับมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งมัน อนั่งนั่งไปสักยี่สิบนาทีนะครับมันมันมันวูบไปเลยครับมันวุบมันดํามืดไม่หมดเหมือนล่องลอยอยู่ในอวกาศนีะครับอแต่ที่อ่าบริกรมว่าพุทโธนี่มันมันหายไปวุบหนึ่งแล้วก็แล้วมันมันเหมือนเย็นขึ้นมาฟู้ฟู่ฟูเนี่ยครับแล้วความคิดตอนนั้นมันมันเร็วมากครับผมคิดว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างเงี้เนี่ยนั่งทั้งคืนก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจากที่มัน เมื่อยๆเจ็บๆมันหายไปหมดเนี่ยครับอาจารย์แล้วก็ผมผมไม่มีสติครับมรรลุทีหลังว่าผมไม่มีสติประคองภาวะตรงนั้นไว้แล้วมันอยู่ได้ประมาณสักห้าหกไม่ไม่กี่วินาทีครับอาจารย์มันก็หายไปเลยครับอาจารย์ด้วยทัศ น, นิกาสมาธิสติเรามี น, น้อยแต่ก็สามารถทาทัา้งแบเซชุบชุบแต่ก็เป็นกําลังใจว่านี่แหละคือผลที่้เกิดจากการนั่งสมาธิ แล้วครั้งนั้นก็เลยมันมันก็เลยเป็นอัศจรรย์สำหรับตัวผมครับหลังมาจากนั้นผมก็ก็คิดครับคิดมาตลอดแล้วก็ไม่ประมาณสิบปีที่ผ่านม า, ามนี่ผมก็ไปจลาไปไปปฏิบัติธรรมที่ทางอำนาจเจริญนะครับแต่แต่มันมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยสงบเหมือนครั้งนั้นเลยครับอาจารย์ครับก็สดงว่ามันไม่มีมันยเลยครับ เวลานั่งประหยัดไปคิดถึงความสงบ อ, อยากประหยัดให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบเวลานั่งก็ต้องเริ่มต้นที่สติไปพุทโธพุทโธไปพิลุลงไปครับแต่พอมาบวชครั้งที่สองครับอ่าตอนนั้นในหลวงราชการที่เก้าครับอ๋อสวรรโคตไปสักประมาณห้าสิบวันนะทางหน่วยงานเขาเขาเขาอ่า คล้ายๆว่าจัดบวชให้ครับผมก็ไปบวชอยู่ที่วัดพิศนุโลกนะครับก็บวชเป็นกลุ่มใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ผมลาต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ไปที่อำนา จ, จเจริญต่อครับตอนนั้นวันที่สามก็เริ่มๆริ่มสงบเริ่มเริ่มเริ่ม ม, ม, มี ค, คือคือมันจะนั่งได้นานขึ้นแล้วก็มันจิตใจมันสบายขึ้นนะครับอาจารย์ครับผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะตัวเรานี่ ถ้าจิตสงบที่สงสัยต้องปวดหรือเปล่ามันอยู่ที่ศีลด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับศีนันก็มีอยู่แล้วมันถึงสงบได้ถ้าเรานั่งเฉยๆนี่ก็ถือว่าเรามีศีน่ะตอนที่เรานั่งเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้รักษาไม่ได้ไปเพลิดเพลิตัวเองไม่ได้พูดโดไม่ได้เดินชราอ ย, ย่งางนั้วก็มีศีน้วถ้าเรามีเวลามาหน้าคุณตาเว่าเราไม่ศีนครับ ผมก็เลยมีมีความคิดไปคนเดียวว่าออตัวเรานี่สงสัยถ้าจิตสงบสงสั ย, สสยต้องอยู่ในผ้าเหลืองเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจารย์อ๋อที่อยู่ที่ความต้องการของเราะว่ารเราต้องการจะความสงบมากน้อยเพียงใดเาต้องการความสงบตลดเวลาข้าวเบื่อหรือเปลครับผมครับผมบ ค, บาาครับข<ด>อพระคุณพระอาจารย์ครับอาจารย์ทานน้นคุณยี่จากันคุณยี่ มีอะไรไหมมีคำถามอะไรวันนี้เปิดไหนค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่าใช่มะันี้นี่กลับมีเจ้าข่าวฮาวายูฮาวาาษาไทยก็ได้ครับทานภาาไทยี่เป็ชาต่ชาติมองการงา้วชาต่าชาติมีคำถามไหมอยากจะถามอะไรไหมครับผม ไม่มีครับไม่มีนะก็เจอทขาไปเรื่อยๆนะครับโอเคหลาที่หลายที่นอบนนักาซอนเนยเจออลซอนปดไมค์ก่อนถามนักวิอาการครับอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับเคยไปหาพระอาจารย์หนึ่งครั้งครับตอนที่วัดครับผมมีคำถามอะไรไหม อา่าไม่มีครับมาฟังธรรมะจากพระอาจารย์ครับผมโอเคจะใช้ขอไปที่ท่านตอไปเลยนะคุณบริษจากระยองนะบริษครัพระอาจารย์ไม่ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ค่ะแ mm hmm. ต่ว่าสัปดาห์นี้รู้สึกมันเหมือนโดนกิเลสหลอกนิดนึงค่ะพระอาจารย์เหมือนไปบูชาฝังครัวแล้วใจมันมั น, ม, น, ม, นมันวาวุ่นนะคะ่ะเลย okay. ต้องทาอะไรอย่าทําแบบยืดติทําไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันเลยแบบเห็นความแตกต่างเลค่ะพระอาจารย์ความฟุ้งห ม, มกกับกิเลสมันเอาเอาซื้ออันนั้นซื้ออันนี้มาเพิ่ ม, มซื้อแตงผักซื้ออะไรรู้สึกเข็ดเลยคะ่ะพระอาจารย์ใช่สติปบบัญญาซมันจะซื้ออะไรถ้าเราถามมันจําเป็นไหมต้องมีไหม พยายามอย่วางหรือไม่เอาเอาแค่พอได้ค่ะพระอาจารย์พยามไม่ทิ้รแล้วค่ะเอาาน้อยสัยยย้นเดวดีกว่ามีการเามนแต่เคไม่มีคำถามโอเคเป็นไปที่อาจารย์พรบุตรอาจารย์ครับสกการณ์ค่ะพระอาจารย์ครับรับฟังค่ะไม่มีคำถามค่ะ แล้วเพื่อนสนิทคู่หูอยู่ด้วยกันหรือเปล่าตนี้ได้อนอยู่อยู่ค่ะน่าทางจะเคลิ้มไปแล้วค่ะเต่ายามเอารุกมาแล้วรุกมาแล้วรอร อ, อเข้าพบอยู่ค่ะตอนนี้มีสวัสดีอาจารย์สวัสดี <c oughs> ค่ะมีปัญหาไวไฟค่ะมีคำถามเลยไม่มีไม่มีอาจารย์สบายดีนะคะโอเคสบายดี ค่ะกลาบคระอยาเไปที่ท่านตอบกเลยนะคนสวัฒ น, นาุณสพัฒนากล่าวมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มาขอฟังธรรมเจ้ า, จาค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามเจ้าค่ะครุ่นที่มาอยากสอบธรรมอมาสักการพระอาจารย์ไม่มีคาถามเลไม่มีคำถามแค่เดียวกันคุณธนาวัน์เชิ อยู่ที่ไหนคุณชนวัฒน์กับนักสการครับผ้าจานผมอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับมีคําถามไหมมีครับผ้าจานครับเ อ, อคือผมเองเพิ่งเริ่มสนใจในการปฏิบัติธรรมมาได้ประมาณครึ่งปีทีนี้ อ, อไ ด, ได้ได้ติดตามเพจของผ้าจารได้หลายท่านรวมถึง เ, เพจของผ้าจานด้วยคืออย่างนี้ครับ ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์บางท่านบอกว่าการการเป็นคาาวาที่จะได้บุญน่ะจะต้องประกอบไปด้วยทานศีลภาวนาทานทานเนี่ยคือการทำบุญอย่างต่ําศีลคือการทำบุญอย่างกลางแล้วก็ภาวนาคือการทําบุญอย่างสูงทีนี้ผมก็เลยเคิดเสมอว่าเออเราเนี่ย เกิดมาทั้งทีเนี่ยยังไม่เคยปฏิบัติธรรมสักครั้งเลยก็เลยอยากอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่แต่ทีนี้มีวันหนึ่งได้เคยฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เองบอกว่าบุญไม่ได้อยู่ที่วัดบุญนะทําที่ไหนก็ได้ทีนี้ผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะออย่างทุกวันนี้ผมนั่งสมาธิประจําก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะได้บุญเท่ากับไปปฏิบัติธรรมที่วัดได้ยังไงในเมื่อ ทานเราก็ทําอยู่เป็นบางครั้งทําอยู่เรื่อยๆแต่ว่าศีลเนี่ยการการที่เป็นคราวาสอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมมองว่าการถือศีลแม้บางครั้งเนี่ยการถือศีลห้าเรายังถือไม่ได้เลยก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้บุญได้ยังไงก็เลยอยากแกสอบถามพระอาจารย์ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ก่อนครับคือการทําอะไรมันก็ได้มากได้น้อยไงทำทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อย ทำทานน้อยก็ได้บุญ น, น้อยทำทานมากก็ได้บุญมากสําหรับระดับท า, า, สาสนรักษาศีลได้มากก็ได้บุญมากก่สส็รักษาศีลได้น้อยมั น, นทุกระดับมันก็มีมากน้อยของมันไปครับงั้นไม่ต้องไปกังวลขอให้เราทําเท่าที่เราจะทําได้ไปอ๋อครับผมก็จะได้สบายใจเพราะว่าช่วงนี้ ก็ไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่จะต้องไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆแล้วอย่างผมเป็นข้าราชการบางทีก็ไม่สะดวกที่จะไปตามวันสําคัญอย่างเช่นวันวิสาวันอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่สะดวกครับเพราะว่าติดงานไม่จำเป็นหรอกวันมันวันไหนก็ทําบุญได้ทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้อ๋อครับขอให้วันห่งไม้องค้ากจะมีเวลาว่างเท่นั้นอ่ะว่าสําคัญมีเวลาทําหรือไม่อ๋อครับผม ทีนี้ก็อยากจะสอบถามพระอาจารย์อีกเรื่องนึงครับคือตั้งแต่ได้นั่งสมาธิมาเนี่ยช่วงระยะเวลา 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ส่วนใหญ่แล้วจะนั่งทุกวันก่อนนอนแล้วก็บางทีตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็รู้สึกตัวก็ก็จะนั่งสมาธิเลยทีนี้การนั่งสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่จะเท่าเท่าที่ดูเวลาจะได้ครั้งละประมาณชั่วโมงหนึ่งทีนี้ก็เลยอยากอยากจะรู้ว่า อาการในสมาธิเนี่ยที่เขาเรียกว่ามันเป็นสมาธิมันเคยยังไงเพราะว่าตั้งแต่ผมนั่งมาเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงแรกๆ ก, ก็จะรู้สึกตัวผมนั่งสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจ เ, เพ่งเพ่งที่ลมหายใจที่ปลายจมูกครับสัมผัสสัมผัสที่ปลายจมูกครับทีนี้ส่วนใหญ่นั่งๆไปแล้วจะรู้สึกว่าเราก็จะหลับไปเลยจะหลับในขณะนั่งก็จะมารู้สึกอีกทีหนึ่งก็ อ้าวนี่มันเ อ, อผ่านไปน่าจะได้จบประมาณชั่วโมงนึงแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยยังไม่ทราบว่าเอ๊ะเราก็ทํามาแล้วอาการในสมาธิของพระอาจารย์ที่เ อ, อเป็นผู้แก่ก้าหรือเป็นผู้ปฏิบัติมาม า, มาตลอดอย่างไหนเขาเรียกสมาธิครับมันก็ต้องไม่หลับเห็นนั่งไม่หลับนัง่นงก็สงบจิต <7 S 2> บนะครับคิดปรุงแต่งจิตแย็นจิตสบายที่บางท่าน พูดให้ล่าให้งจิตว่างจิตเนจิตสบายจิตโลดจิตเบาจิตในความสุงบจะไม่หลัรบรู้สึกตัวตลอดเวลาครับอย่างนี้พอจะบอกอพอพอจะเป็นข้อสันนิษฐานได้ไหมครับว่าอการที่ผมนั่งหลับนี้อาจจะเกิดจากการที่ปฏิบัติยังไม่ถูกวิธีการหรือเพิ่งเริ่มปฏิบัติก็เลยก็เลยยังยังไม่สามารถเข้าถึงสมาธิที่ว่าได้ สติเราน้อยเราต้องฝึกสติให้มากขึ้นโอ oh, ครับช่วงช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราฝึกสติดได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็เริ่มฝึกสติดได้เลยะต่องพุโทโธพุโทโธไปก็ได้เพื่อะระงับความคิดสั่นใจหรือคอยส่องดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ครับครับแต่คือตั้งแต่นั่งสมาธิมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะหลับแต่ก็มีความรู้สึกว่าบางคืนน่ะที่ไม่ได้นั่ง อย่างเราคิดเครียดจากการทํางานมาแล้วเราก็อาบน้ํานอนเลยไม่ดั้งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าเพียมากกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยแทนที่จะสดชื่นกร ท, ทั้งที่ใช้เวลานอนห้าหกชั่วโมงแต่ก็มีความรู้สึกว่าอย่างสู้เรานั่งสมาธิแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยในขณะที่เรานั่งหลับเนี่ยรู้สึกสดชื่นกว่านอนทั้งคืนนะครับก็ได้ถ้าคนรู้สึกแบบนั้นมันดีก็ต้องทาไปก็ได้ อ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวก็จะคงเอปฏิบัติไปเรื่อยๆครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับสาธุครับไปที่ท่นตอไปคุณ อ, องมราเหอใช่ไหมคุณ อ, องวรา อ, องวราได้ยินไหมอ่าเชี่อยู่ที่ไหนพระอาจารย์รับการนมัสการพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ่ะอยู่ที่ไหนไ อยู่ลาดกระบังค่ะ okay. มีคาถามหคืออยากจะถามว่าอาจารย์ว่าเวลาเรานั่งสมาธิบางวันเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสมาธิแต่ไม่อยากออกอยากสมาธิเนี่ยคือเหมือนอยากจะนั่งต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ดีเห็นท่านนั่งไปมันมันหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันก็อย่างนี้งคั้งเราไม่ไม่มีสมาธิ แต่อยากอยากจะนั่งต่อ ค, คือมีความรู้สึกว่าอยากจะนั่งต่อแต่จิตไม่สงบนะคะก็มีความเพียนพยายามมีความเพียพยายามพอนั่งไปเน็่ไม่สงบก็พยายามใช้สติให้มันอยู่กับพุโทโธพุทโธไปหรือสวดมนไปก็น่าจะนั่งเฉยๆค่ะไม่เป็นไรไม่เสียหายนั่งได้แางเท่าไหร่ดีนั่ ง, ยยงดีงงมากาดีดี ค่ะ <C HA> เข้าใจไหมค่ะ <C HA> มีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูนั่งสมาธิไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันวูบดับไปแล้วเกิดเกิดแสงสว่างสว่างจ้าไปเหมือนเปิดไฟเป็นสิบสิบดวงประมาณเนี้ยค่ะได้มันก็เป็นผล <C HA> ผลที่เกิดจากการปฏิบัติค่ะในขณะที่เราลืมตาขึ้น ก็ยังเป็นแสงสว่างชดช่วงอยู่เป็นแบบนี้มันมันเป็นมันก็เป็นผลของการปฏิบัติพอจิตเราสงบมันก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นหน้าแต่มันไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับทุกทุกครั้งไปหรือทุกคนไปบา ง, งทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องกัง ว, วลค่ะ ไนะ่ไช่ว่านั่งทุกครั้งต้องสว่างแสงสว่างก็ากดขึ้นทุกครัง้งมันไม่จำมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะนั่งให้มันสงบยิ่งมีความสุขมีตามเบาใจสบายใจก็ใช้ได้ค่ะหมดคําถามนะคะกรรมแล้วมัจนจะการคํรมาเจจ้าใครที่คุณหมอสุทธาชินนะในใจนะ้า มีอะไรไหมอันนี้ไม่มีเจ้าค่ะอาจารยขาไม่มีคําถามนะอันนี้ไม่มีค่ะโอเคถ้าไม่มีก็ไปที่คนดีซีต่อเลยคนดีซีไปคนดีซีอยู่ที่ไหนตัวดีครับอาจารย์อนนมวัชการครับผมอยู่ซียร์เทิลครับเออเคยเข้ามาแล้วนะใช่ครับครับที่แล้วเข้ามาครั้งแรกที่แบบว่าโทรเข้าซูมครับแล้วก็พยายามปฏิบัติสมถวิปัสนาครับ แล้ทีนี้เนี่ยมีถามหนึ่งคือพอดีคนกลุ่มคนไทยที่เซียเพิ่มจัดจากคลาสเอ่อโซลยานะครับผมเลยอยากถามทราบถามอาจารย์ว่าโริยานนี่ก็คือเหมือนการทํำวิปัสสนาบแบบหนึ่งครับเพราะผมกาลังสับสนว่าที่ผมทําถูกอยู่แล้วหรือว่าไปเข้าคลาสนี่จะโอเคไหมครับอยู่ที่ว่าเข้าสอนทายัางไงอืมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เพื่อเข้าคลาสออนไลน์ครั้งแรกคือวันจันทร์ที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบพื้นฐานเครื่องโ ต, ต้นเกี่ยวกับขันห้าแล้วก็ สมถธรรมปัสนาครึ่งพึ่นก็จะเริ่มเรียนนะครับก็เลยไม่แน่ใจเครับเราเข า, า้องการจะสอน้ า, าเบสิคเกี่ยวกับเกี่ยวกับธรรมะต่างๆที่เกี่ยวข้อหมัตัวเราอันนี้ก็เหมือนกับไปไปไปไ ป, ไปดูแผนที่หรือไปดูส่วนต่างๆของรถยนต์อย่างเงี้ย กับรถก็จะมีประตูมีล้อมีเครื่องยนต์อะไรนั้นเขาก็สอนให้เราดูส่วนแบบอย่างนี้ก่อนแต่สําหรับทางปฏิบัติจริงๆเราไม่สอนให้ต้องรู้แบบของเรืนี้ให้รู้วิธีขับรถเลยครับให้รู้จากว่ากุญแจอยู่ที่ไหนเสียกุญแจแล้วขตามรดนล้าวิ่งไปด้านหรือเปอ่าไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรู้ส่วนต่างๆของรถยนต์ก็ได้ครับแล้วสุริยันสุริยันนี่คือการทํำวิปัสสนาปะครับ เราก็ไม่รู้เหมือนกั น, ดดนแนี่เราพิ่ได้ยินครั้งแรกเนี่ยเราทั้งเช้าเน่ยเขาก็าสอนอะไรได้ครับแล้วองผมลองเรียนแล้วมาถามมาสอบถามอาจารย์อีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะ<ด>ผมก็ใช้แบบเบสิกครับคือแบบก็เบสิกของการปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่รู้เรื่องราวเหรอกนี่นะมันรู้อยู่ให้มีสติรูร้ตัวเราสลอดเวลาท่านนี้ได้ครับให้มีสติคอยควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดตรงแตกทุกมชท่าให้มันสงบอันนี้มันเหมือนการขับจิตนะ แผนนี้ก็ไปสอนให้เรารู้จักสิ่งที่ประกอบขึ้นมาในจิตเช่นขันห้าเ น, น้ก็มีขันทีอ่ในจิตมีเวทนาสัญญาสังขารนิยาอันนี้จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไ ม, ไม่ไม่สําคัญเหมือนขับร ถ, ถนะคุณไม่ต้องไปรู้หรอกมันมีกี่สูบใช่ไหมมันมีกี่สูบมันมันมีกี่ลอมันไม่สําคัญที่ต้องไปรู้คอยรู้ว่าคุณใจที่ไหนจะต้านรุนแรงอย่างไร แล้วเวลาวิ่ยมันจะหยุดทําได้อย่างไง ค, ครับก็พอครับนี่คำถามที่นี่ครับโอเคทีนี้เราก็สอนสอนให้ขับจิตสอนให้ควบคุมจิตใจให้รู้จักหยุดเวลาต้องการจะหยุดมันก็หยุดมันได้เวลาต้องการให้มันทํางานก็ให้มันทําได้จึงไม่ได้สอนเรื่องหนึ่งแต่บางทีก็พูดบ้างแต่ไม่ได้ถือเป็นเป็นความรู้หลักเป็นความรู้ที่อาจจะมาเสริมความเข้าใจ ในบางเวลาใช่ไหมได้ครับเพราะผมก็ปฏิบัติแบบพยายามใช้พื้นฐานนะคร่พราผมก็ไม่ค่อยรู้สัพ ป, ปาลีอะไรพวกนี้ครับออก็คิดแต่ว่าทําแบบสมถะดูเราดูเราดูว่าได้ประโยชน์หรือเาถ้านะคุณใช่ว่าใบนล่าได้ประโยชน์ทําให้คุณปฏิบัติได้ดีก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยโอเคครับได้ครับขอบคุณนะครับแต่ถ้คนณไปไปเรียนแล้วยิ่งให้การปฏิบัติคุณคุณตรวจถอย าคุณไม่ได้ป ฏ, ฏิบัติคุณมัวแต่ไปเรียนรู้ว่าส่วนประกอบต่างๆมันก็เสียเวลาการปฏิบับบติของคุณไปครับได้ครับขอบคุณมากาาครับพระอาจารย์สาธุยุนรัท า, าจาก d a l l a ส Texas ักมีคำถามคุณศรัทธากล่าวการพระอาจ า, กการย์จเจ้าคะ่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าคะ่ะลูกขอล่วมฟังเจ้าคะ่ะ คุณโม่เลยคุณโม่กลับมาใหม่ครับนเชญคุณเรามาวคุ่อคงจะพูดได้มีเสียงไมไม่มาเสียงไม่มาทำไมไม่มาทไมก็พูดของคุณไม่ดีหรือเปล่าเพือเื่อนมีปัญหาอะแล้าได้ยินแล้วได้ยินอ๋อได้ยินนะฮะขัากลับนมัสการกับอาจารย์อาจารย์ที่ไหนที่ไก็อยู่ที่โคราชครับนครราชสีมาครับก็ จริงๆมีโอกาสได้ไปชนบุรีแล้วก็เพื่อนนำไปใส่ปาทป้าอาจารย์อยู่สองครั้งก็ไม่ได้เคยรู้จักป้าอาจารย์นะครับแล้วก็มาช่วงหลังนี้ก็ได้ฟังยูทูปธรรมะที่ป้าอาจารย์ได้ไดสอนไว้ในยู u b e จริงๆที่ผมเข้ามาฟังป้าอาจารย์นี่ก็คือว่าผมปฏิบัติสมาธิมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีคือได้สมาธิตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์เลยนะครับ ก็คือไม่ได้มีไม่ได้มีโอกาสที่จะได้สนทนาธรรมแล้วก็สอบอารมณ์ได้คุยกับครูบาอาจารย์แบบเนี้ยนะครับเพราะว่าตอนนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเกิดแสงสว่างเหมือนพี่คนเมื่อกี้บอกมันสว่างปึ๊บไปเลยแล้วก็เกิดความสุขแล้วก็รู้สึกว่าสมาธิมันเป็นของวิเศษผมก็เลยทําสมาธิมันตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กมาจนถึงบัดเนี้ยแต่ว่าวิวัฒนาการของการทํากรรมฐานของผมเนี่ย มันก็เจริญมาเรื่อยๆแต่ผมไม่มีครูบาอาจารย์แต่สิ่งที่ผมปฏิบัติตามก็คืออ่หลวงตามหาบัวที่มีเทปอยู่ประมาณสิบเอ็ดม้วนผมฟังจนยืดแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นตลอดแล้วก็แล้วก็ไปศึกษาที่อ่หลวงตาพระมหาบัวเนี่ยได้เขียนตําราคือหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นแล้วก็ไปอ่านตามตาราหลวงปู่มั่นแล้วก็ปฏิบัติตามตํารานั้นมาตลอด นะครับก็ไม่มีโอกาสได้ได้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านใดเลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้สนตนาธรรมแล้วก็ได้พูดธรรมจริงๆนะครับแล้วก็สภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แก้ปัญหาตัวมันเองได้ตลอดเลยนะครับจนจนมาจนมาถึงทุกวันเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาสงสัยในข้อธรรมต่ า, ตามันก็จะแก้ไขปัญหาได้ตลอดจนจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างขันห้าอย่างที่คุณพี่ก็ถามไปเมื่อกี้เนี่ย จิตมันก็รู้เองโดยอัตโนมัตินะครับว่าขันห้ามันทำงานยังไงนะครับเช่นเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าอะไรเหมืนอนกับพอนั่งสมาธิเสร็จเนี่ยก็ออยังไม่นั่งสมาธิก็ป่วยพอป่วยเสร็จเนี่ยก็จิตก็บอกว่าเฮ้ยลองดูซิว่าครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยอยู่ในป่าในเขาท่านนั่งสมาธิแล้วใช้สมาธิรักษาโรคเนี่ยเออมันน่าจะทาไม ครูบาอาจารย์ไม่มียาทําไมถึงถึงใช้สมาธิรักษาโรคได้ผมก็บอกเอายังไงก็แล้วกันตายเป็นตายก็นั่งสมาธิเพื่อที่จะลองใช้สมาธิรักษาโรคผมก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแบบเนี้ยนะครับนั่งไปแล้วจิตมันก็วูบไปเลยเสร็จแล้วก็เหมือนกับพอจิตมันวูบเนี่ยจิตมันก็จะเห็นตัวเหมือนกับเรานั่งดูจอโทรทัศน์เลยครับก็จะเห็นร่างกายเห็นที่โคลเห็นกระดูกแล้วก็เห็นจุดที่มันเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นไข้มันป่วยอ่ะทีนี้ก็ก็ดูแบบนั้นก็ดูร่างกายภายในแบบนั้นไปแต่ทีนี้ก็มันนึกสงสัยว่าเอ้ยอันนี้เราเห็นจริงหรือเปล่าทีนี้ก็หลุดออกจากสมาธิก็นั่งสมาธิอยู่แบบนั้นเลยแต่ก็คืออ่าอากาศจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยจิตมันก็จะเกิดความว่างว่างแบบคือว่างแบบไม่มีอะไรอยู่ในจิตเลยนะครับความรู้สึกอะไรมันมีแต่ความว่างมันเป็นอากาศท่า ทั้งที่ออกจากสมาธิแล้วนะครับในจิตเนี่ยไม่มีอะไรพิจารณานะครับปกติมันก็จะมีเรื่องที่พิจารณาโลภโกรธหลงที่มันอยู่ในจิตเนี่ยนะครับมันก็จะในี่ยี่สิบปีที่แล้วนะครับทีนี้นเนี่ยจิตมันไม่มีอะไรพิจารณาเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ย hey, จิตว่างแบบเนี้เป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นอาหารหันต์หรือเปล่าเราก็จิตก็บอกว่ามันก็บอกตัวเองว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าจริงๆอะเรามนุษย์เราทุกข์เพราะอะไร ตัวเราเองอะทุกข้ออไหลอริยสัจสี่เรอยังไม่รู้เลยเราจะเป็นไม่ได้เอาถ้าไม่เป็นแล้วมันจะทํำยังไงต่อมันมีแต่ความว่างจิตมันก็บอกว่าเออว่างกับช่างมันก็เดินจงกรมดูมันไปแบบนี้เฉยๆก็เดินไปสักสองชั่วโมงนะครับทีนี้จิตมันก็เกิดแบบมันเหมือนกับจิตเนี่ยมันวิ่งทะลุ ก, กําแพงความมืดออกไปแล้วก็เกิดเป็นแสงสว่างในขณะที่เดินจงกรมแบบนั้นนะครับเกิดแสงสว่างเกิด เกิดความว่างหมดทั้งโลกเลยนะครับไม่มีเงาไม่มีอะไรมันมันเป็นความมหาสารจันมากกว่าตอนที่ว่างในที่ออกจากสมาธิอีกทีนี้จิตมันก็บอกว่าที่ที่เราเป็นทุกทุกกวันเนี่ยที่มนุษย์เป็นทุกที่สัตว์โลกเป็นทุกเนี่ยเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในตัวสังขารทั้งหลายนะครับทั้งรูปและนามนะครับคือมีความยึดมั่นถ้าเกิดเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งตรงเนี้ยเราก็จะไม่มีความทุกข์ นะครับ <ge> <une> นั่นเน่มันเป็นความมหัสารจันทร์อีกมันว่างมาโหัานไปหมดเลยที้เนี้ยทํายังไงมันก็ไม่มีอารมณ์อะไรมาปลูกมันเลยนะครับมันก็เกิดแต่กก็ไม่ได้หัดมหัสารจันทร์อะไรกับมันมากนะครับเย่างเรารู้สึกว่าเออเราก็เหมือนกับเรารู้ว่าที่ตัวเราทุกหรือสัตว์โลกทุกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพความยึดมั่นแล้วก็ก็ปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยต่อเนื่องมาใ น, นเรื่อยมันก็มันก็มีหลายอาการที่เกิดขึ้นกับจิต มากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นสองปีที่แล้วเนี่ขอให้พนทนาหน่อยนะมีนจะมีคำถามอะไรบ้มีคําถามอะไรล้างอ๋อไม่มีครับเพราะว่าไม่มีก็เอาแค่นี้จอนะเพราะว่าเราจะรอคำถามอยู่นะครับขอบคุณที่ได้ได้ได้มาเล่าผลของการปฏิบัติให้ฟังครับพอดีคนเหีก็อยากสอถามคำถามกันครับสาธุครับเพืยอที่ทิ้งก็ตั้งใจมาฟังนี่แหละครับอาจารย์ ไปที่ปัญนจนานดาปัญจนานาเั น, น, า น, าาน้ำนะเอสมุดป า, ากากากลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่กกะาาตอนนี้มาหยู่สมุดปากกาเหมือนเดิมแล้วค่ะค่ะก็เมนูเมนูสั่งอย่างงี้สั่งไปแล้วค่ะว่าเป็นค่ะาาานี่ค่ะพู้จาดาร อ, อรอบนี้นะคะก็ได้อะไรที่แปลกนะคะเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องกินเลยอะค่ะพาจามค่ะก็เ อ, อยังไม่อันนี้เป็นปรากฏการครั้งแรกอะคะอ่ะเพราะเพราะว่าหนูว่อกินแค่มื้อเดียวนะคะกินแค่มื้อเดียวแล้วก็เ อ, ออย่างที่เคยไปถือศีลที่ที่วัดก็จะเป็นมื้อเดียวเหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เต่อตอนกินเนี่ยก็จะกินก็จะกินตุนนะคะ โดยโดยโดยที่คือตอนนู้นนะคะจะกินจะกินตุนทุกครั้งเพราะว่าคือเ่อดียวกลัวหิวกลัวหิวอะไรเงี้ยค่ะกลัวหิวแล้วก็พอมารอเนี้พอหนูจะสั่งอาหารไม่ล่วงหน้าเลยแล้วก็จะมีอาหารที่สั่งก็เป็นอาหารที่ที่ที่คิดว่าดีอะค่ะพระอาจารย์<ม>ในเรื่องของรสชาติหรืออะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอตอนกลางคืนพอหิวใช่ไหมคะ ก็แสบท้องแสบท้องแต่ก็ก็ก็ไม่กินนะค่ะฝืนไม่กินไม่สนใจก็ก็ไม่สนใจก็คือบางทีก็ประชดไปเลยเออมึให้มันหิวตายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็นอนแล้วก็หลับไปไม่รู้ไม่รู้ตัวแล้วกะว่าเดี๋ยวตอนตอนเช้าก็จะได้กินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกดได้แล้วพอตอนเช้าพอได้กินอาหารมันก็แปลกมากเลยค่ะตอนคือคือหนูว่าจะยกถวาย พรพุทธเจ้าก่อนเสร็จแล้วก็ลาลามากินต่อพอตอนกินพอรู้สึกว่ารสชาติของอาหารมันแยกออกเป็นมันแยกออกเป็นเปรี้ยวเค็มหวานอะไรคือมันแยกออกมาจากการแล้วความกลมกลม่อมหรือความอร่อยมันไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์มันแปลกตรงนี้ค่ะปกติเป็นคนชอบกินของอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วปรากฏว่าจะกินให้เยอะใช่ไหมคะพอตั้งใจ ว่าเดี๋ยวมือเดียวก็จะกินได้เยอะหน่อยก็ไม่อะค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ากินแค่แบบแค่อิ่มล้วก็เลยเลิกอะไรเงี้ยค่ะทุกมื้อเลยค่ะพ่อจารย์แล้วก็เลยรู้สึกตอนนั้นก็คิดขึ้นมาได้ว่า อ, อ๋อไอ้ไอ้ความกลมกล่อมความอร่อยเนี่ยเราปรุงแต่งไปเองใช่ไหมเราปรุงแต่งใช่ไหมมันที่มันที่เราไปคิดว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยแท้ที่จริงแล้วรสชาติมันก็เป็นอย่างเงี้ยเปรี้ยวหวานมันเค็มคือมันมัน มันมันได้มันได้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยค่ะของอาหารนะคะคือลองทั้งอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารไทยคื อ, ค, อคือเป็นทั้งสองอย่างเลยค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็เลยนึกถึงพระอาจารย์นึกถึงพระอาาริยะที่พระพระพระสงฆ์ทั้งหลายที่ก่อนหน้าเนี้ที่หนุเวลาที่จะเตรียมจะเตรียมอาหารไปทําบุญหรืออะไรเนี้ยก็คือหนึ่งก็คือคํานึงถึงคุณภาพของอาหาร แล้วก็เพื่อที่จะบํารุงสังขารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องรสชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกถึงว่าอย่างหนูขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าอย่างพระอาจารย์ฉันทุกมือเนี่ยมันเอ่อเป็นยังไงอะค่ะพระอาจารย์รสชาติก็เหมือนฉันยากินยาค่ะไม่ได้ไปมีความดูดซึมไม่ได้ไปไปปรุงแต่งไปอะไรประมาณจริงเงี้ยมัน แต่มันมีดักความอยู่ได้ก็พอความอยู่กอยู่จริงค่ะเรามันก็เลยทําให้หนูคิดได้ว่าตอนนี้ก็คือกินอะไรง่ายๆก็ได้อะไรที่พอกลับมาอยู่บ้านอะไรอยู่บนโต๊ก็กินแค่นั้นมีอะไรก็กินตรงนั้นไม่ต้องไปสรรหาอะไรเงี้ยค่ะแ ล, แล้วก็พยายามกินอาหารให้น้อยลงน้อยมื้อลงอ่ะค่ะพระอาจารย์ประมาณเนี้ยก็จรพอเรากินอาหารมากกว่าที่ร่างกายต้องการ ค่ะพระอาจารย์คะที่ที่หนุมได้ประสบพบเจอเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่มาสอนเราด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มันก็สอนให้เรารู้ว่าจิต เ, เราเนี่ยมันชอบแสงชอบสิ่งนั้นชอบสิ่นแต่ร่างกายทุกจิตเขาไม่รู้เรื่องรอเราเลยไม่รู้เรื่องกับจิตของเราเลยเราอะไรใส่เข้าไปในร่างกายมันแครับได้เน้นเราต้อง อยากให้รู้ว่าเราเรากจนเพื่อใครเราจิงเพื่อใจเึากินเพื่อร่างกายถ้ากินเพื่อร่างกายกิงอะไรก็ได้ตามดีตามเกิดกเพื่อให้มันดับท้อทําเพื่อให้ร่างกายหยุดต่อไปได้ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้ขอให้มันไม่ทําให้กินแล้วทำให้ร่างกายจะใชข้ได้ปวดแล้วปวดแล้วยิ้มได้มันจะทำให้เราอยู่ง่ายกิง่ายอย่างนี้ ที่ไหนก็มีอาหารแล้วก็กินเขาได้แล้วก็กินได้แล้วก็กินได้ไดถ้าไม่กินมากมันจะทําให้มันไม่มาเป็นอุปสรรคกินมากมันจะทําให้เราง่วงนอนขี้เกียดทำให้าการปฏิบัติเราไม่ไม่เจ้าหน้ามันถ้กินง่ายมันทำให้ตัวเบาสติ ด, ดีราสมาธิกสงได้เร็ว ไม่ขี้เกียจมีความเพียรขยันมีนพื่อประโยชน์ของการรับประทานอาหารพอประมาณไม่ได้รับประทานด้วยความด้วยความโลภความอยากในรสชาติของอาหารรับประทานเพื่อให้รอากาศดีได้มันรับประทานยาแล้วก็ไปในสารรอบคืนนอกไปจบทำจบแค่ช่วไปลายนี่อะไเงี้ยมันคลุิ ันนี่จะทาสุกจากการกินอาหารก็สุกแค่ขนาดที่มันแปะตไปอยางนี้พอมันเข้าไปในว่ามันก็หายเลยนะแล้วก็มันนั่งจิ้นนัางฟันยังมอต่อไปว็ุกหลอออยู่เรื่อยๆถ้ากินแบบกินนะฮะกินแบบินามันก็ไม่ไปฟันไม่ไปเปถึงพอกินเสร็จก็จบจะกินอีกทีก็มาถึงเวลาจะกินแล้วมันได้เป็นปัญหาเรื่องจิต อใจนะค่ะพราะพอพ อ, พอออกจากสินนะคะก็ทดลองสั่งอาหารแบบเดิมมากินปรากฏว่ามันอร่อยอะคะ่ะพ่อตาล <c oughs> ก็เลยก็เลยยังเดีย๋ยังยังชอบ <c oughs> ต้องต้องพยายามกินของที่เราไม่ชอบของที่เราชอบอยากจะกินดัดจีบตั้งตั้งใจค่ะตั้งใจเหมือนกันค่ะว่าจะลองแบบนั้นดูะอะค่ะถ้าชอบถ้าเราชอบของที่กินก็เอามาพูดกันให้มันดูกร่ากันต่อ ทัขข้ของค้าของหวานนั้งข้าวเลยทุกท่านมันเป็นเือนข้าวสวนักพักกิกนจากสันดาลมันเยเดี๋ยวเราต้องการตัดความชอบความชังแน่ค่ะให้ยางไงถ้าเกิดเจอร้านอร่อยเราก็ไม่สมควรแวะกินหรือเปล่าครับพระจานทร์แต่เรา้องการแบบกินแบบถไม่สควรค่ะข้าว่อไมันจะได่มันจะแนะไ่ไม่สรนะเพราอไม่เคกินมันต่อไปก็ไม่สร็ มีอะไร้็กินได้ค่ะไม่ต้อง ไ, <ด>ไปมองสายอาหารอ า, อาหารอย่างนี้อาหารอย่างนี้มากินมีอะไร้็กินไปให้มันจบจบไปเป็นได้เอาเวลามาปฏิบัติทำดีกว่าค่ะหรื อ, อรด้อยากจะดรามิสัยก็ไม่ต้องไปสาอาหารเช่นนี้วช่นนี้เราให้เขาจับมาให้เราก็นั่นกัน้นี เหมือนเป็นข้านี้ยเป็มีตบาบะ ไ, ไม่ได้ไปสั่งให้าญาิโยมใส่อะไรชนิดนั้นจะนีนมม่มีมาในบะญาติโยมเนี่ยใส่อะไรก็ปล่อยก็ใส่ไ ป, ไ ป, ไปแล้วกินตามมีต่างเกิดไปแบบดีเลตแบบสัญญา <c oughs> เดีเนลอทำดูค <c oughs> ่ะพระอาจารย์จะลองดูค่ะต่อให้พขาจันอาหารมาสองสาอย่างอะไรก็ได้ค่ะ <c oughs> เราจะได้มานั่งจะได้แม่มนั่งปรุแต่งเรื่อยๆถ้ากลายเป็นถ้ามันปรุงแต่งเยอะกินเสร็จแล้วมันต้องปรุงแต่งนี่ต่อไปนะกินอะไรดีใช่ใจมันก็จะไม่สงบเวลานั่งสมาธิก็บาบทีก็อดคิดถึงอาหารไม่ได้ค่ะตอนตอนตอนอยู่คอนโดก็รู้สึกว่าแตกต่างจาก อยู่ที่วัดก็คือมันสบายไปอะไรเงี้ยค่ะมันมันดูอืมเขาเรียกความสัพปายะมันน้อยกว่าการอยู่วัดอะไรเงี้ยค่ะอืมเลยรู้สึกว่ามันสบายค่ะอก็ควรไปดูวัดบ่อยๆแล้วทำบ้านให้เป็นวัดหรือบ้านก็ทําเหมือนกับยู่วัดวัดเขาทํำยังไงแล้วก็เอามาทําที่บ้านต่ออืม เหมือนนะมันต้องมีของให้น้อยโลง่ลงๆโล่งให้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะขาไม่จำเป็นกท็ทำมีทำตามไปบรรยากาศของเก็บไว้ของทีาไม่จะเป็นต้องมนนะีสบาค่ ะ, ะได<า>้คนะ่ะขอบคุณแมค่ค่ะอาจารย์สาธุ ค, ค่ะคุณปุ้ยนะคุณปุ้ยฟังเสียงวันเชีง อยู่ที่ไหนยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดมาเปิดแล้วเชนทุดด่ได้คุณปุ้ยอยู่รักเชมเบอก์ค่ะพระอาจารย์รักเชมเบอคยเข้ามาแล้วเนี่ยนะซากราใช่ไหมใช่ค่ะปุ้ยปุ้ยคุยกับพระอาจารย์แล้วปุ้ยมีคาถามเพราะว่าปุ้ยนั่งสมาธิทุกวันแล้วพอดีว่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์คือปุ้ยจะมีอะไรเหมือนกับ อติดต่อพ ร, ร, ร, ร, ร, ระทั้งสูงๆได้เว็บเรารู้สึกเหมือนกับมีเทวดามิจฉาทิฏฐิมากันแกล้งเราเวเวลาจะถึงเวลาจะนั่งสมาธิเนี้ยมันจะรู้สึกใจมันจะแบบมันมันไม่นิ่งแต่เออพอมาวันหลังจากวันพระเนี่ยดีแล้วค่ะอืนั่งได้แล้วก็นิ่งแล้วพอลา น, นั่งแล้วมันเห็นแสงสว่าง สว่างสว่งเยอะๆเลยแล้วมาลงมาลงมาที่ร่างกายไม่ใไรคะไม่ไ่ไคือตอนที่ปุ้ยนั่งอ่ะปุ้ยเรียนมาจากธรรมกายปุ้ยเรียนมาใช้ฐานที่เจ็ดคือจะต้องเห็นดวงบุญเอาลงกลางท้องและทีนี้ปุ้ยมาศึกษาเอง ม า, มาศึกษาด้านจั ก, กรพัดแล้วมาศึกษาหลวงอุ่ ม, มั่นและใช้พุโทโธกุ้ยก็เล ย, เ, ลย เ, ลยเลยมาใช้พุโทโธทีนี้มันมีอะไรไม่รู้เวลาที่เราดูลมหายใจเอาลมหายใจลงไปเอาลมหายใจออกมาถามว่านิ่งไมนิ่งค่ะรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยแต่ว่าเวลาที่มันเหมือนกับมีอะไรเนี่ย ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีอะไรตรงหน้าผากตรงเนี้ยมีมีอะไรเล่นจูดจูดจูดแล้วมีพลังมันเล่นเข้าไปในร่างกายอะ่ะหรือว่าใครจะส่งบุญมาให้เราอะ่ะรานทอนกันไม่ควรจะไปนสนใจล่ะเพราะถ้าเราไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอะไรอ๋อนะค่ะแล้วควรจะกลับมาที่พุทโธพุทโธอย่าไปนสนใจอยากสิ่งที่ปรากฏ ข, ขึ้นมาเสด็จฝ่าค่ะอืมเออแล้ว <c oughs> การโทษค่ะเพราะว่าเราต้องการให้จิตสงบให้จิตว่าให้จิตสบายไมไ่ต้องการอะไรจากใครเานันเลานั่งสมาธิค่ะโยมจะสวดมนต์ก่อนแล้วก็โยมจะนั่งสมาธิแล้วก็มาสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วโยมก็จะนั่งสมาธิอีกอ่าฮะแล้วมีพอดี ม, มีมีทางมีครูบาอาจารย์คลาวัตธรรมคนหนึ่งซึ่งอยู่ทางสายธรรมกายเอ่อ เขาก็มาบอกกับโยมว่านี่เธออย่าไปนั่งสวดมนนะเอ่อเพราะว่าเธอเอาเวลาไปนั่งทําวิชาดีกว่าเ อ, อสวดมน่ะมันได้บรารมีต่ําอันนี้โยมก็จะต่ําจะน้อยแต่ฉันสวดมาตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วเอออะไรของยูว่าคือเราไม่ได้ดูถูกเขาเขาเห็นในอดีตเห็นในปัจจุบันนเห็นในอนาคตอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้นั่งเพื่อเห็นแต่ว่าเรานั่งเพื่อความสงบอ่ะ อือฮะเอะอยากจะเรียนถามท้าอาจารย์ว่าจริงหรือไม่ที่เขาพูดว่าการสวดมนต์เนี่ยได้บารมีต่ำเพราะโยมก็ทำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยสวดมนต์แล้วก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จแล้วก็นั่งเออไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะสวดมนต์ไม่ได้สติส ถ, ถูกต้โยมก็คิดเหมือนท้าอาจารย์ได้แล้วสติเนี่ยที่ทำให้เราได้สมาธิต่อไปค่ะใช่ค่ะโยมก็ นั่งเอ่อเอ่ออัญเชิญเทวดาแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วโยมก็โยมก็แผ่บุญแผ่บุญเสร็จแล้วโยมก็นั่งสมาธิแล้วโยม่ารู้สึกจิตจิตไม่ดีเลยสมอาทิตย์ที่แล้วใจโยมก็ไม่ดีเลยเอออยู่ๆเขาก็มาเขาก็มาว่าโยมอย่างนี้เออโยมก็ว่าเอ๊ะอะไรวะขนาดทางวัดพระธรรมกายที่นี่เขายังสวดธรรมจักรกันเลยฮะโยมก็เลยมันมันไม่น่ามันไม่จริงก็เลยลองถามอาจารย์พระอาจารย์บอก บางทีใครก็พูดอะไรก็ความเฉยเฉไปใช่ค่ะแล้่คนก็มีความคิดเห็นต่างกันไปถูกต้องค่ะแต่ แ, แต่ตั้งแต่โยมมานั่งเอ่อแบบนั่งกสมาธิแบบเอาจริงเอาจังตอนนี้นะและโยมก็เอ่อใช้วิธีบทในโ ย, ยมรู้สึกมันนิ่งจิตมันนิ่งขึ้นค่ะและไม่ไม่รู้สึกโกรธเพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่โกรธง่ายโกรธง่ายมากเลยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่แล้ว <Okay. S 2> ค่ะนะออการมีหนะเอ่อนมัสการกันอยากจะร่วมกระถินกับเ อ, อพระอาจารย์ค่ะแลวะวทว่ที่ที่นี่เราทราบกระถินนี่ต้องติดตาคุณลารให้พลังจีให้เข้าไปของวัดไปอ๋อแต่ไม่ทราบจะติดต่อตรงไหนค่ะเดี๋ยวคุณลาร์เขจะติดต่อไปเพราะคุณลารเป็นคนที่ถามคําถามจากเี่นกี่แล้วเธาจะชงข้อความไปอไมโอเค ดีค่ะแล้วอาจารยังพูดงงอก่างข้อวมแล้วกันนั่อยังไม่ออกค่ะเราฟังค่อาจารย์นจนจบเลยค่ะขอบพระคุณนะค ะ, อะขอพรหน่อยดีหนุ่งหนุงอาจารย์ค่ะขอพรหน่อยค่ ะ, ะให้เสุ็จให้เจริญให้ทาให้รวยถูกหวยชั่วโนะโอยขอรําเลยอะ่ะอันเนี้ยแสทุูคสกค่ะ ใน <c oughs> ขอไปที่ขั้นต่อไปนะพราคนยังรายอยู่เยมือค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคับขอบพระคุณค่ะคุณจมวิชคุณม อ, อยู่ที่ไหนสมรมศการครับอาจารย์อยู่ราชบุรีครับก็ภ <c oughs> าวานามาเรื่อยๆตั้งประจาภาษาไว้ด้วยแต่ว่าช่วงนี้คือเปลี่ยนการใช้ชีวิตร8อแปดสิบองศาเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ที่ภาวนาเราก็จะไปวัดไปบ่อยช่วงนี้กลายเป็นว่าต้อง มาใช้ชีวิตแบบปากกาตีนทีมาแล้วก็เหมือนกับว่าเอมันมีความทุกข์แล้วก็โลกกระทำเปลี่ยนๆตอนนี้เนี่ยก็พยายามสู้กับกิเลสอยู่แล้วก็เจอว่าเคยคิดว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆก็เหมือนใจมันรู้สึกขึ้นมาว่าที่ตั้งไว้อผิดสิ่งที่เราต้องหยุดคือความอยากรับก็เลยอช่วงนี้เลยถ้าเกิดตั้งไม่ลงก็จะใช้พิจารณาผ่านตายกับพาจารย์อยากทราบว่าตัวนี้เนี่ย ผมสามารถพิจารณ า, าความตายต่อได้ไหมครับได้ถ้าดับความคุ้มซ่าหองจิตได้ดับทีเด็ดได้ไปใช้ได้แต่ระวังว่าอย่าทำให้มันกลายเป็นทีเด็ดไปพิจาณาความตายแล้วอยากจะฆ่าตัวตายนี้ก็ต้องหยุดครับผมแล้วก็พิจารณาความตายแล้วทำให้เรารู้สึกปลดปลุกไม่มีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปนี้นก็ผิดนะครับมแต่ถ้า พิจะนาความตายด้วยลดความโลภความโกรธความหลงได้ก็ใช้ได้ครับแล้วถ้ายอย่างนี้ถ้ายอย่าง น, ายยางนี้ถ้าเราหมดกาลังใจเราใช้พุทธะรูธธ้สติแทนก็ได้ใช่ไหมครับใช้พุโทโธแอย่าไปพิจิตมากเกาินมันต้องหยุดหยุดพิจารณาความตายแล้วกลับมาพุทโธพุทโธเมื่อสวดอิิครั บ, ครบแค่นี้ครับอาจารย์สาธุไปที่ท่านต่อไปนะคุณปวานเชิญ เห็นว่าอะฝาดแล้วม่ได้แลครับผมเวลาผมนั่งสมาธินั้นเหมือนว่าอมิอะไรเข้ามาในใจผมพยายามหยุดหยุเดเร็จแล้วก็ทําทให้ผมเครียดผมเครียดเร็จแล้วบังอย่างนั้นผมก็ไม่อยากจะนั่งเลยครับครับอาจารย์อยังไม่หยุดนั่งอย่าไปสนใจให้อยู่กับพูดโทรพูดโทไปหรือสวดมนไปก่อนก็น่า ถ้านีอะไรเข้ามาลบปดใจเราห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ต้อไปสนใจมันแล้วเดี๋ยถ้าเราสวดไปเรื่อยๆกันทรไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะอยู่เองมันจะไม่เข้ามาครับผมถ้าเราปพยายามหยุดกันไปห้ามมันมันมีเข้ามาอยากมันจะทําให้เราเหนื่อยไม่อยากจะนั่สมาธิครับพรตอน <hiking S 2> นั้นเดียวผมไปนั่งที่หลวงปูจ่จรเลียน สามวันปรากฏว่าผมเครียดแล้วผมนั่งไม่ได้เลยครับผมเพอาะเราไม่ไม่ไม่ได้สติตอยู่กับพุโทโธถ้าอยวพุโทโธพุโทโธไปมันจะไม่เครียดมันจะเย็นมันจะสบายไม่นอยู่กับองหายใจไปมือส่วนลมไปก็ได้นะครับผมเอีจะเข้ามาเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราม่ไิ่งมันมันมีสติอยู่ครับพุทโธอยู่กับการสวดมนอยู่กับลงหายใจเข้า อย่างไดอย่างก็ได้้วแต่เราจะก้าวอย่างไรครับผมแล้วพระอาจารย์ครับผมมีความกลัวเรื่องความตายอะไรต่างๆก็พูดถึงความตายแล้วผมใจหยัดโคตรดุอย่างนี้จะทําไงครับผมก็อย่าไปดนะครอย่าเพิ่งไปเชื่อเห็นมันที่ว่าตอนที่เรายังไม่ตายความตายอยู่ข้างหน้ามันจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ก็ยังไม่ต้องไปคิดนะจิตเรายังไม่พร้อมที่จะรับความตายก็อย่าไปคิดครับผมนครับผม ต้องทาทําจิตให้สงบก่อนถ้าถ้าเอาจจสมาธิมาแล้วลองคิดดูมันจะไม่มันจะไม่ตัวครับผมถ้ามันตัวมันชุกก็อย่าเพิ่งไปคิดนะครับไปก่อนครับผมมีท่านนี่เหรอครับผมมีแค่นี้ครับขอประคุตปาจาย์บ้างครับผมไปที่ร่วมควานครับร่วงคใช่รับน้ำตรการท่านค่ะ ได้ยินใช่ไหมคะท่านชัดเจนชัดเจนอ๋อคือวันนี้ก็อยากมากราบเรียนถามท่านคือว่าเคยได้ยินมีคุณผู้หญิงเนี่ยเขาเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องระเบิดของ BTS อะไรตอนที่บ้านเมืองวุ่นวายเป็นสิบปีแล้วนะคะคราวนี้เจ็ดปีค่ะคราวนี้ท่านก็บอกก็เขาก็บอกเขาวิ่งหนีท่านก็บอกว่า ก็ทิ้งไปเลยสิทิ้งกายไปเลยอย่างนี้นะคะไม่ทราบท่านจําได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ที่ฟังได้ความว่าอย่างนี้ปรากฏว่าก็คิดว่าเออลองหักทิ้งนี่มันก็ทิ้งไม่ได้มันทิ้งไม่ออกคร <c oughs> าวนี้มาเมื่อสักสามเดือนเนี้ยปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็รู้วิธีทิ้งนะคะทิ้งกายไปเลยเหมือนกับจิตเนี่ยมันทิ้งกายไปได้ก็เลยคิดว่าเออ คงต้องมาเรียนถามอาจารย์เพราะมันก็สามสี่เดือนละคราวนี้บางครั้งเนี่ยก็คิดไปเพราะบางเห็นบางทีบางเห็นเห็นในคลิปอะค่ะใน a ฟ e b o o k บางอะไรบัางเหมือนกับบางคนเนี่ยก็ ข, ขี่มอเตอร์ไซค์สวนแล้วรถยนต์เนี่ยก็เลี้ยวตัดหน้ามาพอดีแล้วก็มีการคงเกิดอุบัติเหตุแล้วในนั้นเขาก็พยายามพูดว่าเนี่ยไม่มีเหมือนรูปร่างคนออกมา มันก็มันอยู่ตรงนั่นเฉยๆนี่ก็เลยคิดต่อนะว่าเขาคงไม่รู้จะไปไหนมากหลวงพ่บางทีก่อนที่กนจะถึงสามเดือนนี้เราเราฟังท่านพระอาจารย์ตอบคำถามเราก็บอก ه, ทิ้งยังไงทิ้งยังไงนะมันก็ยังอยู่ในกายเราเนี่ยจะทิ้งเข้าไปได้ยังไงแต่ตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าทิ้งทิ้งได้มันออกไปมันมีที่ไปมันรู้จะไปยังไง เพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะถูกวิธีนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันก็คงวนเวียนเหมือนทัวน่วๆไปที่ว่าทิ้งไม่ได้ออกไปแล้วไม่รู้จะไปไหนการทิ้งก็ทิ้งมันแบบทิ้งด้วยอุเบกขาไนตายแ ล, ล้ว ก, ก็ยสภาพทันโทษนะคะทิ้งด้วยอุเบกขายัางไง<อ>แล้วยังไงเฉยๆ อ, อย่ามันจะตายก็ยล่อยมตาย อแต่มันก็เป็นแบบกเป็นกสัตกระล่วงนี้ไปนะคือว่ารู้เอ่าร่วมันตายก็มันจะตายแล้องรา้มันจะตายมันจะตายมันตายแล้องมันตายไปเราไม่ต้องไปรอเวลาคือคือเหมือนกับมันออกมาได้อ่ะแต่ก่อนมันเหมือนก็ต้องอยู่กับในกายใช่ไหมคะตอนนี้มันเหกมาได้แล้อนอิจิตันจริงว่าไม่ได้อยู่ในกายหลอกอิจิตันมันเป็นแต่เกาะไว้มันส่งกระแสมาเกาะที่น่างกายนั้นส่งกระแสของยิญญาณมาเกาะ ตาจะหมุนลื่นตาก็จายถอนเยื่อส้จิตกลับเข้าไปข้างในงมันไ่รู้แบบแต่นีเนน่เหมืนอนกับมันถอนกระแสจิตออกจากกายได้นะออะเาเห็นไหมแสงเหมือนไฟฉาที่เราใช้ไปที่ร่างกายพอเราปิดสวิตซปั๊กระ แ, แสไฟมันก็ไม่ออกไปากลดไฟมันก็ไม่ไปตกาที่ร่างกายถ้าแยกออกจากกัน อ่ะมันเหมือนกับไม่ต้องเกาะเกี่ยวอยู่ละเออใช่เฉยๆทางใจเฉยๆท่านนู่นเดินขาสตวารู้ไปถ้าไมพยายามสัตวารู้ก็ท่องที่โผล่ทีโผลอือแต่คราวนี้มันมันรู้สึกว่าดีนะเราเนี่ยโชคดีมากเลยรู้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีที่ไปมันไม่ใช่งงงวยๆตองทิศทาาไตัวเราไม่ตัวลาหนอไม่ไ่วาใจ ฮะว่าไอ้ <A S 2> จะไปทิ้งทิงยังไงก็บอกให้ปล่อยปล่อยไปเลยแล้วปล่อยไงอ่ะมันไม่ไปอ่ะมันอยู่อ่ะมันเกาะ อ, อยู่อ่ะอย่างนี้ถูกใช่ไหมฮะท่านอันนี้มันยังอยู่ก็ให้มันอยู่ไปพอมันไปได้มันไปฮะแต่เหมือนกับตอนที่ดิ น, นั่งสมาธินะมันก็ฝึกไปเรื่อยฝึกออกไปเรื่อยฝึกไปแล้วมันสงบน ะ, ะไปิด เจอที่มันสงบมากๆนั่นแหละที่เราต้องการไปก็เจอที่ความสงบเลยนะเมอได้สงบดีตรอดปลอดภัดยจยากภัยทั้งลหลายทั้งปวง น, นะนะใช้เวลาก็้าไปที่สงบนั่น น, นะที่ฝั่งของเราาสงบตลอดก็เป็นนิทานไปเลยไม่ต้องกลับเกิดค่ะ คือด e c i มันโล่งอะว่าเหมือนกับเรามีที่ไปแล้วอะไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนได้ไปงไงอะท่านบอกเน้จะไปไหนเมื่อก่อนต้องถูกแรงกรมมุนกรรมพาไปแย่งนี้เราใช้ธรรมะมาอ่ะสงสว่างรรมะมันมันไม่มีแสงนะท่านไม่เกิดเชื่อเลยเขาบอกแสงาว่างธรรมเกิดเชื่อไม่ต้องทางไป มันมีที่ไปจริงๆเอรมันมนิ่งๆความสงบเนี่ยมันช่วยไปทั้งจิตแล้วทําให้เราเหมือนกับอืมนะพยายามปล่อยอยู่ดีใชไมพยายามปล่อยวางอีใช่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายนะเหมือนเหมือนกับความสุขความทุกข์ความเจ็บปวดมันก็น่าจะปล่อยไปได้รวมทั้งความจําความคิด การเห็นการอะไรเงี้ยทรัพย์สมบัติปล่อยได้มันฟังฟังไปหมดสิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่เป็นขอเราคือความว่าสความสงบขนาดนี้เขานี้เข้าใจนะเข้าใจค่ะกลับอ่ะเราไปที่ท่านตอไปหน้าเร็จนะท่านพูดอะไรนะครัฟังไม่ค่อยถึกเดี๋ยวเอไปที่ท่นตอไปเลยอ๋อค่ะกลับขอบพระคุณท่านค่ะ เปล่าอะไรจอยวงเชิดศอกไม่มีคาถามไม่มีคำถามเห็นไปที่คนอลิซใบหยกใบหยกคุณคะอ่าเป็นยังไงมาตรการมาตรการครัากับทำการบ้านเสร็จหรือยังเสร็จค่ะสรค่ะเสร็จค่ะของ้ากค่ะ เราพยายามเรียนะอ่าพกจิเรียนนะามแบบ เ, เรียนพนะยายามบ้านเราจะได้เป็นคนฉลาดสาธุาได้ช่วยตัวเองได้ทำอาหารกิน เ, นเล่ปาเกเลนะข้าใหองด้นะับเราเป็นจากพ่อแม่ น, นต่อไปสาธุาุมีมคถามมาเลยเพ่เรียนมาติ ผมแปกกับขาผมเมื่อเวลานั่งนั่งนานๆลุกขาชาใช่ไขาชาแล้วมีนเก็บมากมือขาจะระเบิดเลยแต่พ่อพ่อบอกเอาพ่อเมื่อพ่อผมลุกขึ้นปุ๊บขาหายเลยนะสบายดีไม่เจ็บนะไม่ต้องไปยุ่งมันฝายมันมาฝันมันไปเหมือนฝนกมันมาตกแล้วฝันมันตไปเมี่ยเมื่ก็อยู่ดองสนใจไหมแล้วก็พูดโทรศัพท์มุดไป ไม่อย่าไปยะ่อย่าไปยุ่งกับความชาของขาฝ่ายมันชาสุดมันไปก็ได้สู้ไปก็ได้มันจะขับใจเลยทำยงไงครับทายังไงที่จะสู้กับมันได้ถงาสิทำยงไงครับสึงจะสู้มันได้สู้สู้กับขาพกลปลูกไเวลาชาานี้อย่างนี้จะทําังไงอครับเพราะพอผมชาพวหัวจะ คนไม่หมดหรูอว่าส่วนมันเป็นเศษมัต้องโทรพโทรดโทรโทรไปอให้มันช้าบบมันได้เป็นเรื่องสาคัญมันมันเป็นเรื่องทอขาดขาตายช้าก็ชาาแล้วก็อยู่ประมาณฝันคนไม่ไหวทำยังไงครับถามไม่ไหวถ้าพูดโทไปมันก็ไหวถ้าพดโทไปน หนูมีปัญหค่ะคือหนูเรียนและทีนี้หนูไม่ค่อยตั้งใจเรียนเลยค่ะออนไลน์แต่หนูอยากตั้งใจเรียนค่ะแล้วทีนี้พอหนูไม่ตั้งใจเรียนหนูก็เลยแอบเล่นโทรศัพท์ค่ะหนูก็เลยอยากรู้วิธีทั้งวิธีเลิกเล่นโทรศัพท์แล้วก็วิธีให้ตั้งใจเรียนเอาโทรศัพท์ไปฝากไว้กับแม่ <Yeah. S 2> นะ เอาไว้กําแม่เลยเป็นแคโทรศัพทะได้ตั้งใจเนียนแม่หนูตาเจ้าค่ะคืออย่างนี้ค่ะเด็กตอนนี้เรียนกับ ipad ด p a d มันสามารถแบ่งครึ่งหน้าจอได้ครึ่งหนึ่งเอาไว้เรียนหนังสืออีกครึ่งเขาก็ท่องเว็บเลยค่ะเป็น Youtube เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาไว้กับโยมเขาก็ไม่มีเรียนนะคะก็ก็เปิดจออยอะๆเลยไม่เปิดสัจอ ทำยังไงเขาถึงจะห้ามใจตรงนี้ได้คะตอนต้นแม่ก็ต้องมาห้ามไปก่อนคอยช่วยไว้ก่อนช่วยเขาห้ามอย่าไปอย่าไปมีกําลังมากก็ได้แม่ถือไม้เดียวอยู่ข้างๆแล้วค่ะเขาก็เปิดสองจอว่าต็สั่งให้เปลี่ยนให้ออกจอเดียวค่ะถ้าหนูต้องชื่อฟังก็เชื่อฟังแม่ถ้าหนูอยากจะแก้ปัญหานี้หนูต้องเชอบสนใจมันอยากจะดูก็แม่ให้มันดู บังคับให้มันดูแต่จอเรียนจออย่างเดียวให้มันเป็นดูนะคะใช่เราฝืนได้บังคับใจได้พยายามฝืนพยายาบังคับเดี๋วเราชนะค่ะยายานะค่ะตอนนี้โยงก็พูดโธรอย่างเดียวละค่ะกับสู้อย่างนะลูกวันละก็พูดโธรสู้ ไม่นีก็เหมือนจริงโอเคให้ขนมการีออนขอให <three> ้ให้การีออนอายุยืน um, ย <wh> ืนหนึ่งรอยยี่สิบปีออถ้ายืนได้ก็ยืนถ้ายืไม่ได้ก็จะนอ อัแต่เดินก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปท่านเดือดดอกกันนะพ่ออให้เดินจใจงๆนทุกคนนะสาธุเนไสสลัดเป็นไับนะอสลสบายตัดานกลับนมาสการครับอาจาราย์อยู่ที่ไหนอยู่ระยองครับ สวดีผมเพิ่งได้เข้ามาฟังอไลฟ์สดแบบนี้กับพระอาจารย์ครับได้มีโอกาสได้เป็นตัก บ, บาตรกับพระอาจารย์ที่ที่บ้านอำเภอครับแล้วก็เกิดปิติมากๆครับกลับมาเวลาเราทําการสวดมนต์เสร็จแล้วแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับก็จะมีเหมือนลิมิตจากจากหน้าของพระอาจารย์เข้ามาตลอดเลยครับก็ค่อนข้างเกิดปิติแต่เราก็กําหนดรู้นะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยอ การเจริญสติที่เป็นฐานหลักเนี่ยผมผมทำได้น้อยครับแต่ว่าใช้ใช้การกำหนดแบบอิริยาบทย่อยนะครับนึกขึ้นได้เราก็จะกำหนดตลอดเนี้ยครับรู้ตัวทั่วพ้องเนี้ยครับไปรับจานพอดีวันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีคำถามอะไรมากครับแค่แค่อยากจะเข้ามาร่วม อ่ารับฟังแล้วก็การบรมัสการพระอาจารย์ครับผมได้มีเชิญเสไปเรื่อยๆนะจะใชิเสด็จาไหก็ได้ครับผม่ครับท่านี้ก่อนนะครับพอาจารย์ที่เนนักาเ็นาครับพระอาจารย์นวัตสการทจาย์ที่ไหนบางแสนะอ่าตัวนี้อยู่จังหวัดตรังครับพระอาจารย์กลับมาบ้านครับที่บ คำถามก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นเป็นคนวิตกกังวลเยอะครับครับอาจารย์กลัวกลัวโน่นกลัวนี่ตลอดเลยครับอาจารย์ต้องแก้ยังไงดีครับกอถ้าเราวิธีแก้ง่ายๆก็เวลาวิตกกังวต้องพูดโทรศัพท์โทรศัพทความวิตกกังวลไ่อมันวิตก กังวลจนบางทีนอนไม่หลับเลยครับอาจารย์แบบมันเหมือนกลัวเป็นพยายองทพในเวลาัวามนะครับายห้มันไปวิตกกัวลอยู่กับกังวลการทพุทโธพุทโธก็พยายามนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็พอออกจากสมาธิก็พยายามมาคิดคิดทบทวนว่าสิ่งที่เราวิตกกังวลไปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแบบนี้พอได้ไหมครับอาจารย์ ได้ก็เราพิจารณามาไม่ได้แน่แน่นอนไม่ใช่ทุกอย่า ง, ง, างนะมาไม่รู้ใครรูว่านะ่าก็ดอกว่าจะเกิดขึ้นอนมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่อนสี่ที่เราที่อยากจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้นี่อย่าไปจมวนอย่างมันมากเนไปไว้รอให้มันมาปรากฏขึ้นมาฝันให้ว่าครับพระอาจารย์นครับีครับผม ก็พอไหมอาจจะคุณ อ, อ้างถาคุณ อ, อ้างอยู่ที่ไหนนอนนานหน่อยนะอาจพูดได้เลย ก, การธรรมัาสารท่านอาจารย์คะมีคำถามไหมไหม่มีคำถามแต่อ่นถ้าถ้าสมมติว่าเรา เราสระผมะค่ะเราจะรู้สึกอยากนั่งสมาธิค่ะอันนี้เป็นเพราะอะไรอะคะก็เป็นความคิดของเรานั่นเองเอ่อยายก็สระผมบ่อยๆในะสมาธิก็สระผมบ่อย ๆ, แ, อยๆแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตกจากต้นไม้ค่ะเวลานั่งสมาธิ ก, จก็จิตสงบอ่าจิตสงบมันจะเสียงั้นอนะเวลามันะสะงบมันเหมืนตกจากที่สูงลง ม, มาไม่เด็นไรเดี ฝันมันตกไปแล้วไม่เจ็บแล้วแล้วก็เห็นภาพเหมือนเป็นท้องฟ้าแต่ว่าไม่ใช่สามมิติอะค่ะเป็นแผ่นกระดาษเป็นเป็นแผ่นเดียวอะค่ะกอะไม่เป็นไรก็เห็นได้แต่ทางที่ดีกลับมาที่พุทธโธนึกที่ลมหายใจอย่าไปสนใจกับภาพที่เราเห็นก็แล้วกันแล้วก็อีกคําถามเดียวค่ะเ อ, อมีที่ผูแล้วก็ แล้วก็ไต่มาที่หน้าค่ะแล้วก็ไต่มาที่ผมแล้วก็บินไปค่ะอันนั้นเป็นมแมลงจริงๆหรือเปล่าคะไม่ล่ะมันเป็นใบยาหลอกนะไม่ต้อไปสนใจมันมันจะมันจะปรากฏขึ้นมาเพือยู่กับพุทโธไปอยู่กับโรกไปหมดคําถามแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์มันเป็นของที่จะมาหลอกหลอนใจเราให้เสียสมาธิ นอย่าไปสนใจพยายามรักษาสติดิให้อยู่กับลมอยู่กับมันโกรกจิตเราจะได้เข้าสมาธิได้ประจนะจะได้ไปที่ด้านต่อไปคือสเลนท ร, นทรจากแม้นเรื่องรัน้นเดี๋ยวนอยนะวันนี้พระอาจารย์มีลูกศิษย์ญีลูกหายเยอคะค่ะโยมไม่มีอะไรคะ่ะ โยงเข้ามาฟังธรรมของผู้ภาจาร์เจ้าค่ะไปด้วยทำธรรมไปด้ว ย, ยค่ะทำไปฟังธรรมไปด้วยแล้วโยองก็แอบไปทานกาแฟาค่ะไม่มีคำถามสบายดีนะอาทิตย์ที่แล้วเราเห็นว่ า, า, าไปไปเที่ยวชาเิเลยกับมินจีบเลยใช่ค่ะไปด้วยกันไปอาทิตย์ที่แล้วค่ะพระอาจาร์โยงก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่หลังๆมันไม่ค่อยสงบแล้วยองก็จะคิดถึงหน้าพระจาร์ขึ้นมาตอนปฏิบัติว่า ไม่ได้นะะปวดปวดแล้วก็ต้องนั่งตอบฟุงสซ่านก็ต้องนั่งตอบนแต่พระเจาแม่ช่วยยมมเลยค่ะพยายามจิตอ <laughs> พยายามลกกับการปฏิบัติอย่าให้พิเลนต์รค่ะยม้กว่าต้องปฏิบั่มันถึงจุดที่ต้องปฏิบัติมากขึ้นแต่ว่ายมยังทำได้แค่วันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงแล้วแล้วยังมีภาระหน้าที่อื่นก็เลยรู้สึกว่า ต้องทํามากขึ้นกว่านี้ถ้าจะต้องการได้ผลมากกว่านี้แต่ตอนนี้ยังยังอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าทําได้แค่นี้ค่ะค่ะเรอทําได้ทําได้กไหลายก็ทำไปก่อนดีกว่าไม่ทําเลยค่ะก็ลูกสาวมันลูกสาวมันยืนด้วยกัน้็เลยคาอยู่ด้วยกันค่ะโรงเรียนกําลังจะเปิดราคาถัดหน้าค่ะค่ะค่ะตอนนี้จะได้มีมีเครื่องทดสอบจิตใจ2อ0ยงใจยำ พูโทรพโทรตลอดเลยครับเมตตานะครับจะเอามก็เอาไหมบอกแล้วไม่เชื่อแล้วไปขอบในะค่ะสาธุนะคะพระอาจารย์คนณชิ่คนชื่ยังไม่มาเลยน่นท้าวไปดีที่ไหนก็เดี๋ยวโยมถามให้ค่ะไม่ตรอบเดี๋ยวแกจะม่จบทังนมดค่ะพระาจาเดี๋ยวจะทำเชื่อะรู้ว่าทำอะไรค่ะโอเค เดินไปที่ข้ารต่อไปนะมินโคบ้าโคบ้าหกสามหกเชิญเปิดไมค์ก่อนอ น, นี้อุปมาขปมผมโ ค, โโคบ้าได้ยินไหมอ่าเปิดแล้วพูดได้เลยมสมสการกับผ้าจารย์่ที่ไหนผ ม, ผมรู้จักมาผมอยู่ที่นครศรีครับมาจ้ะผ้าจารนพอดีอดีผมมาติดตามผ้าจาย์จากท่านพี่เชษครับ อ่าท่านพิเชษเอ่อท่านเอเดี๋ยวนะหามพิเชษอ่ะท่านอ่าคุณสันสันเลยแล้วคุณบสรมีท่านไม่รู้ท่านโทษนะครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าท่านถึงอหรืยังครับหรือยังอยู่อ่าท่านบารมอยู่ยังอยู่ครับปรับความระลึกถึงทั้งบ้าจะผมติดตามพระอาจารย์อยู่แล้วครับแล้ววันนี้ก็มีพอดีเห็นหน้าเพจเอ่อก็ไม่ค่อยมีคําถามเพราะผมไม่ไม่ใช่นักปฏิบัติครับไม่ใชัก แต่ว่ า, าเนี่ยจะเป็นชอบในเชิงธรรมะวิเคราะห์เชื่ในเชิงธรรมวิเคราะห์ครับอาจารย์นะครับเพราะอันนี้นเป็นปัญญานคร <ำ S 2> ับเขอยู่อยู่ตรงไว้่อไรปัญหาที่มันมาเจอดีก็ผมก็จะเอาคําคําที่เป็นคําบาลีคำนึงเนี้ยแล้วก็มานั่งแปลแล้วก็หาหาเหตุของมันแล้วก็จะไปอ่วิเคราะห์ต่อแล้วก็อะไรเนี้ยอย่างเช่นว่าพอเราผู้วางอะไร หรือเราทำอะไรเรามีอะไรเงี้ยเขาเอาเวลานั้นนะ่ะกลับมาคิดคิดแล้วก็ปรับปรับแล้วก็คือผมเพิ่งศึกจากการบวชมาสักประมาณสักปีกว่ากว่าพอศึกมาจากปีกว่ากวนั้นก็ไปบวชเสร็จก็เหมือนเราผมต้องเสียนิ้วไปหนึ่งนิ้วครับอาจา mm. รย์ไม่รู้ว่าเกิดจากไม่รู้ว่าเกิดจากสุภาพหรือว่าเกิดจากอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมนอนโรงพยาบาลไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยผมก็สึกตอนนั้นก็ หลังจากนั้นก็เลยผ่าผ่าตัดผ่าตัดเสร็จแล้วก็ศึกเลยครับก็ใช้ปันจะใช้วิธีการคือเอาข้อคำะคำบาลีคำทุกคำที่ที่อยู่ในในคำบาลีครับเอามาปฏิบัติตแต่ว่าวจริเอาคำเดียวก็พอเนี่ยเอาคำอา น, นิจจังคำเดียวก็พออั น, นิจจัง อขยายขยายความให้ผมนิดได้ไหมครับคาว่าอนิจจังเลยไม่เชี่ยงไม่เชี่ยงอ๋อทุกอย่างไม่เที่ยงเอา่าใช่ทุกอย่างเลยไม่เท่ากับสิ่งส่วทุกอย่างได้เนียนิ้วขาดไปก็ไม่เที่ยงอันะนิจัง ก, กับเพราะวา่าตอนนี้ผมก็มองในเรื่องของไอ้อ่าร่างกายไม่ใช่ของเราทุกอย่าง<อ>าไม่ใช่ของเรากรำไอทุกอย่างนี้โอเคมันก็ทําให้ใจเราเนี่ยอคือมีสติเรียกสติกลับมาแล้วเราก็จะอยู่ความจริง บรรจารณ์นั่งตาพร้อมทำอาจารย์รานนั้นตาอันนึก ต, ต่ครับครับเขาจะพอบอพอพ อ, อ, อพอเข้าใจอยู่ครับอาจารย์<ม>แต่ว่าเดี๋ยวจะทาให้แบบว่าเอาเป็นเอาเป็นนิยามหรือเป็นคา<ม>ที่จะเป็นแบบเหมือนทาให้เราเกิดการฉุกหรือการนึกที่ว่าโอเคนี่มันในบรรยากาศที่เป็นปัจจุบันนะครับคือผมว่าจผมสอนคนในในที่อยู่วกล้ๆผมว่าจงอยู่ปัจจุบัน ให้จงอยู่ปัจจุบันแล้วก็ไม่ยึดติดกาดีดอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่วัตจักรครับรอิจารณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ก็แอรบิจฉานะครับแอรบิจฉาคนที่เขานั่งสมาธิได้คนที่เขามีอ่าเพราะหนึ่งผมเนี่ยพยายามผมจะใช้วิธีการคือสมาธิอยู่กับเวลาที่จะนั่งทําอะไรจะนอนหรือจะนั่งเนี่ยก็พยายามก่อนสมมติก่อนจะนอนเนี่ยครับ พยายามทำไงก็ได้ฮโดยที่ใครรู้สึกว่ามันมีสตินะรวมาวมารวมมารวมมากใ็ใช้ใช้หลายๆตัวครับอาจารย์กรณี x ทำให้มันสงบได้ก็ใช่นะครับครับใช่ใช่ครับอาจารย์แต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่จำกัดวิธีการคือผมมองว่าผมผมอาจจะขออนุญาตนะครับยิ่งว่าจะไม่มีคําถามแต่พอดีพระอาจารย์ติดตามมานานแล้ววันนี้มีโอกาสได้เอ่อจริงๆผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์ผมมองว่า ถ้าสมมติเมื่อกี้พระอาจารย์ตอบเด็ก ว, ว่าทําไมเวลานั่งแล้วเด็กขาชาเนี่ยไอต้ตรงนั้นแหะเปนคําถามเดี๋ยวพระานจาันเล่าอย่าไปสนใจกับมันแต่ผมมองอีกวิธีหนึ่งคือเวลาไม่ต้องทรมานนั่งดีๆนั่งสบายๆรวบรวมสตินั่งเก้าอี้ก็ได้เหยียดขาก็ได้อะไรก็ได้ครับตรงนี้พระาจารย์ผมก็เลยจะมีแบบ ม, มีคือรวมมาให้ได้รวมมาให้อยู่ในใ น, นในในเนี้ยในในส่วนรู้สึกของเราแต่ไม่เคยไปศึกษาเรื่องของอย่างอื่นนะครับ ก็ได้คือไอแล้วสร้ก <จะ S 1> ไม่ได้ไหนรู้แต่รู้แต่ว่าทํายังไง ใ, ให้ให้ที่มันที่มันความคิดที่มันกระจายอยู่รอบๆอบอะครับ<อ>แล้วมันรวมมาให้ได้อะเพระฉะนั้นเน่ยได้ไดแต่ผมไม่มีหลักว่าเดี๋ยวไอ้เอออนี้ยคือผมมองว่าการที่ว่าผมกำหนดว่าเออแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่านั้นนะครับไม่ได้อวดอิตรลีหรือว่าหรือจะอวดเก่งว่าเนี่ยคือเป็นความหยาบของผมไงที่เอาแบบว่าง่ายอ๋อไม่ง่ายแล้วมันรวมไม่ได้ง่ายๆ่ายมันก็ได้น้อยหน่อย พครับครับก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าเนี่ยถึงออกบอกว่าแอบอิจฉาคนที่เขานั่งได้เขาอยู่ได้แบบนี่แหละเราไม่ไม่ไม่ไม่เน้นทัปปิแล้วด้วยถ้าเป็นเวลาทำไปทางกำลังของเร า, า, ากำลังแต่ละคนกำลังไม่เหมือนกันครับใช่ครับอาจารย์โอเคนะนี่ครับเอตัว น, นะนี้ต่อนะขอบคุณครับอาชีพแผลพอพูดถึงเข้ามาเลย การาจเจตได้แล้วการลวมันสการค่ะพะาจารขอคำขออนุญาตไม่ใช่เจ้าค่ะพอดีผมยุ่งมาค่ะหุ่เอ่อสิรินทรอนโทรมาบอกเ้าว่าพระอาจารย์ถามถึงยงก็พระอาจารย์เลิกหรือยังถ้ายังไม่เลิกเดี๋ยวยงเข้ามาการาบละมันสการโอเคสบายดีนะสบายดีค่ะพระอาจารย์ยงมาขอบาร ยุงเรื่องพวกนี้ยมจะต้องมีเรื่องขึ้นศาลนิดนึงค่ะก็ะเลยสอบทารก็เลยเตรียมตัววันนี้ค่ะเตรียมตัยังไงก็ได้จะสบายใจหัวออกหัวก็ได้ออกกอก็ได้เราต้องสอบทาง้งนั่งหัวทั้งก้อยเลย <c oughs> จะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่เสียใจค่ะก็เลยแค่จะตัวเตรียมใจไปอย่างไั้นละค่ะนี้ว่าจะหัวก็ได้ก้อยก็ได้อะไรจะสกิก็เกิด ก็ขอให้มีทางแก้ที่ดีมีสติยมกร็รับรับพร<ป>ค่ะพระอาจารย์เมคืนทางแก้ที่ดีก็ทางที่มันอลลิจีจะเกิดนันะ่นหักโดยทางแก้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ถ้ามันเป็นนะค่ะอย่ า, ไ, นะยาไปทุบกับ <ๆ S 2> ม, มันค่ะค่ะขอบพระคุณสาธุค่ะหลวงปู่เอ้ไม่ใช่หลวงปู่ยมดูสิสติไม่มีคนนี้เพื<ม>แต่รีบรีบตื่นเต้นเลยเลยอันนี้เด็กๆไปแล้วไเรียนมาเรียนังไปไยังเด็กๆ เดี๋ยวเด็กๆจะเปิดวันจันร์นี้แล้วจ้าค่ะต้องก็าวเปิดก้าปิดแน่หป่าแล้วก็ยังบกเจนไม่อยู่ว่าจะเปิดนี้ไม่เปิดนี้ของของทางรัฐทางเขตอยู่โอเคอยู่เปิดได้แต่ก็ไม่แน่ว่าเปิดแล้วถ้าเกิดมันติดกันเยอะเขาอาจต้องปิดให้มาเรียนออนไลน์ค่ะแล้ใสาหน้าตาที่โรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบังคับไม่ใส่ค่ะแต่ไม่รู้ พอถึงเวลาค่ะพระอาจารย์มาลาทานข้าวเขาก็ต้องถอดออกก็ไม่ไม่แน่ใจว่ายังไงก็ไปลุ้นเอาค่ะทําเขาละค่ะต้อง <c oughs> ว่าไงไหก็สับสับค่ะใช่ค่ะพระภัยค่ะโอเคยมยมดูได้ใจคนได้ยินได้ฟังค่ะเดี๋ยวยมก็จะนี่วันนี้นั่งสมาธิติดกันมาหลายวันแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าใจมันก็สงบดียพยายามนั่งวนนะอ การอความไมสันติเขาผิดจมีทปล่ยผลบรรยากาศขึ้นนี้ถูกใจแล้วครับแล้วจะกันท่านไหนครับุาอุสาทุยอมคอมเนาะน้อมรับค่ะน้อมรับโอเคานต่นะค่ะที่ท่านต่อไปเดชชายอัคคภูมิแนวมาลีอยู่ที่ไหน แล้วมัสมการเจ้าค่ะอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะพอดีใช้ซูงของลูกชายเจ้าค่ะจะเลยคือค่ะพอดีอยากสอบถามท่านนะคะว่าปกติเวลานอนนะคะก็จะเปิดคาถาชินน้ำพัญชรนแล้วก็สวดในใจนอนหลับไปด้วยทุกคืนเพราะว่าอยากให้ลูกๆได้ฟังด้วยไงเจ้าค่ะนี่มาเมื่อค so, like so, ืนวันเสาร์ ก็ก็หลับไปแล้วก็เหมือนฝันว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะแล้วก็มีอีกคนอีกสองสามคนแล้วก็ก้มหน้าแล้วเขาก็พูดว่าหยุดสวดคาถาชินทัพญชรได้ไหมเราก็แปลกใจว่าเอ๊เขารู้ได้ไงว่าเราท่องอยู่ในใจอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็แล้วก็ไม่ได้มองหน้าเขาเขาหน้าเขาก็แบบออกแบบหมองคล้ำอะไรเงี้ยค่ะเราก็แต่ในใจก็ไม่ได้คิดกลัวอะไรก็บอกเพราะว่าก็ ขอให้เขามีหน้าตาที่สดใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอให้เขาไปสู่ที่ที่ดีแล้วพอเขาเนยนะขึ้นมานะเขาก็ดีคือหน้าเขาก็ไม่หมองคล้ำแล้วแต่ก็แอ บ, บนึกในใจว่าแล้วเขาก็ยื่นแบบที่วงนึงแล้วแล้วก็นึกในใจว่าเอ๊ะเราเราสวดชีนะ้ำบรรชร น, นี่คือทําให้มีอะไรคือเปดยหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าปกติเวลาสวดชีนะ้ำบรรชอนอะคะ่ะท่าน บางครั้งเนี่ยก็จะเหมือนมีอะไรมามีมีอะไรเข้ามาหาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคราวนี้เหมือนเราฝันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็ยอยากทราบว่าคาถาที่น้ับรรเนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าอ๋อคาถาไหนก็ได้เพรานั่นนะเพราะการสวดนี้เพื่อทาให้ใจเรามีสติทําให้ใจเราสงบยังอิจฉาคาถาไหนก็ได้นี่แต่ อกว่าเอจมากมาในฝันอคาันค่ะเจ้าค่ะะัยก็คือจะาานแเกิดระดับจนพิจารณาแล้วค่ะคือแค่คิดว่าออยากทราบว่าแล้วอย่างอันนี้อีกหนึ่งคำถามนะเจ้าคะคือว่าเคยได้รับภาะบรุมาสารีธิกธาตาที่วัดบวรนะคะอ่า คือแต่ว่าพอได้รับมาเนี่ยเราก็ไม่ได้สวดคาถาอะไรแต่ต อ, อันเสจ้ไม่ต้องเสร็จอ๋อไม่ต ช, ชาก็พอกไปปฏิสฐานแล้วก็จารบิชาก็อ๋อก็แค่ค่ะค่ะก็กลัวว่าไอ้จะบาปไหมเพราะเราหลับท่านมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สวดอะไรเจ้าค่ะไม่สวดนะก็เอาไว้บูมึงต้องพุชลูกปฏิสฐานนี่เอ้ัน อ๋อเจ้าค่ะเวลากราบวดสวดอาหลสัมมาปัานะสัมาเจ้าค่ะค่ะมีคำถามเท่านี้ละเจ้าค่ะตกลงว่าชินาบุญทร์ น, นี่ก็สวดไปได้ไหมได้ถ้าเราชอบเราชอบบทนี้เราก็สวดนี้ไปสวดวสวความฟ้านะสวด้ น, นก็เรื่องขม้วเรเื่องสนไม่เกี่ยวกันอ๋อไม่ไม่ต้องกลัวว่าแบบกลัวว่าคาถานี้จะไปทำร้ายใครหรืออะไรนี่ไมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไม่หราถาที่มา เสริมสร้างสติให้กับเราเสรม้างความสงบให้กับใจเจ้าค่ะท่านมีคำถามเท่านี้เจ้าค่ะขอบคุณคท่านอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่กเทพเหรอเจ้าค่ะอยู่ที่กรุงเทพเจ้าค่ะโอเคถาไว้เลยด้วยอยู่ที่ไหนบ้างพอไปที่ด้านต่อไปนะเป็น่ารุดท้านที่ปิ่องวิจารณ์ตัวสัตว์ชื่อหอไชื่อัว ป่อยมาไดยังไม่ได้ปล่อยมาว น, นิมมส ก, การ์พระอาจารย์ว่ามาอยู่ไหนท่านครับ อ, อยู่ยนครราชสีมาโคราชครับโคราชมีคำถามะไรครับมีบคำถามคืออยากอยากถามว่าเวลาสวดมนต์เส ร, ร็จคือ น่าจะเป็นเพราะว่าใช้พลังเสียงเยอะแต่อยากรู้ว่าทํายังไงมันจะหายหไม่ไม่ไม่หิวอะไรเนี้ยครับไม่หิวครับก็เวลาหิวแม่ได้ถึงอาหเวลาหิวแม่ได้ถึงอาหารที่ อ, าาอยู่ในปากเราและอยู่ในท้องเราจะไปได้ถึงอาหารที่อยู่ในจานมันก็จะหายอยู่คือยังยังบวชยังบวชได้ 2, 2, สองสองพรษาครับไม่เขียวครับ นึกได้ไม่ถึง อ, อาหารที่เราเคี้ยวอยู่ในปากเลวลาคลายออกมาเราอยากจะกินไหมครับไครับให้นึกถึงอาหารที่เคี้ยวเ ห, อาหารอครับอ่าชิ้เคี้ยวเลือดอาหารที่อยู่ในท้องแล้วอาเจียนออกมาจะช่วยลดความหิวใช่ไหมครับได้มันจะไม่อยากกินเพราะอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็อยู่ในท้องอยู่ในปากใช่ไหมแล้วะะกว็เรามาดูหน้าตามันเป็นยังไงมันเร่เอยหร้อเปล่หน้าตามเป็นยังไงว่า มองได้เห็นหน้าตามันก็ไม่อยากจะกินนะหายอยู่าลยขอบขอบหนกาครับนอกจากนี้เราเประกันได้ไว่าเวลาเหี่ยเนี่ยเราไม่เห็นอาเจียนไม่เห็นอาหาที่เราเคี่ยวแล้วขายออกมาเนี่ยมันจะไม่อยากกินอาหารครับบางบางช่วงบางบางวันในวันหนึ่งก็าบางทีก็พิจารณาอสุภริะบ้างพิจารณาถึง ส, กสักแลระลึก เวลาสวดมนต์ก็ระลึกถึงพระอริยสงฆ์บ้างแต่มันจะทนความหิวไม่ได้ครับ ม, มันไม่มันช่วยไม่ได้เหรอสาระสาระมันไม่สามาันเวลามีการมาลงแต่เวลาอยู่นี่ต้องพึ่งเหนปฏิปุณอาหารปฏิปุณนคืออาหารที่ถ่ายมาแต่ท้องา อ, อ, อาหารที่อยู่ในช่วงนี้นะไอ้ที่ถามาก็เป็นอาหารนี่เ เวลเราเป็น เ, นเรีก่กร่องมจะลุดจาะเชมันจะเป็นอาหารใ ห, ให็เ้นึกถึงอาหารอาหารที่ ท, ที่เรเคี้ยวเราขายออกมาใช่จะช่วยลดความหิวเพื่ออาหารที่เราจีนออกมาเพื่ออาหารที่เราถ่ายออกมาขอบคุณมากครับโอคนะอาาันนี้นะปมาที่พอเนยค่ะ สวัสดีค่ะพัชาสวัสดีอย่อยู่ที่สวัสดีค่ะที่ขายขายของออนไลนใช่ค่ะใครขอออนไลน์ด้วยแล้วก็ทํางานด้วยก็คือหนูมีคําถามที่ว่าคือหนูนั่งแล้วหนูก็ฟุ้งแต่พยายามจะดึงสติกลับมาดึงสติกลับมาเผลอไปบ้างฟุ้งไปบ้างแบบนี้เจ้าค่ะก็แบบลบก็พวกใครในใหม่ใหม่แอย่างเนี้ย เหมือนกับเราเด็กที่ก็กเล่นเดนะิมหมันเะนัีการลงลกไปเธรแที่ปปเป็นัครับเพนื่าไม่นื่ยงก็ยายามทไปรเรื่อยๆอย่ารอดแ่ยอย่าหยุดะรก็จะต่อไปรเรื่อยๆเจค่ะแล้วตอนแรกที่หนูฟังพาร์ทินต้นๆแล้วคนนี้ก็เลยรู้ว่านานจัดก็เลยปิดก่อนแล้วก็ไปปฏิบัติทำ ม, มาก็เพิ่งจะเสร็จ ก, ก็กลับเข้ามาใหม่อย่างนี้จ ะ, ปะเปลนไหมเค่ะไม่เปลียนหรอก ก็้ันก็ับการนการสอนที่เรียนการา้เราไม่ได้รยนาาการนกไม่ได้ท่ค่ะก็พยายามดึงสติกลับมาประมาณนี้ค่ะ่สเยน่าที่บยค่ะต้อค่ะเรจะาค่ะค่นี้นะแค่นี้ให้เต้าค่ะค่ะ ว่าคำถามเหมแล้ว่าเร า, เารจะไปตู้ปัญหาปัญหาจากในช่วงแรกในช่วงมีทั้งหมด27่สิคำถามเจ้าค่ะโอ้โหจะหมดภาษาเนี่ยยี่สิบเจดปีราลองดูค่ะคำถามแรกจากคุณอนุสิตศาสนาพุทธถ้าตัดเรื่องบุญเรื่องบาปเทวดาปฏิหารจะมีแค่การกำจัดทุกอย่างเดียวใช่ไหมครับ มันตัดไม่ได้หรอกมันเกี่ยวข้อมกันทั้งหมดคำถามต่อไปจากคุณวิไลเราสวดอิติปิโสรประจําวันพุทโธได้ไหมคะได้สวดทั้งวันทั้งคืนได้ทำต้นเวลาได้คำถามต่อไปจากคุณนัทธดาพรถ้าเรารู้ว่าคนคนหนึ่งไม่ชอบเราเราก็รู้ตัวพอเราเห็นหน้าคนคนนั้นใจเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกัน เราจะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะบังคับใจไม่ให้ไม่ชอบบางทีเหมือนทำดีไปหรือจะรู้สึกดีกับคนนี้ไปก็เปล่าประโยชน์เจ้าค่ะเวลาแต่งงานไม่ชอบมาให้ช่องพุทโไปคำถามตอไปจากคุณอนุสิตการขอนิสัยคืออะไรครับนเนีอนี้จะต้องมีจุฬาจารยพื่อกสอ ได้ขอทิศสายแล้วขอรูอาจารย์ถึงสอนเราิศสายของอาจารย์จะยังไงล้วอยารได้ทิศสายอย่างฉันขอทิสยัยเพืขอให้ทำขอให้ได้เป็นเหยญงอินทร์ิสยของอาจารย์อาจารย์มีสมิสัยเมตาอยากเตาอาจารย์มีสิสัยมีปัญญาฉลาดแล้วก็อยากจะมีสสิสยขาร ถ้าบวมไหมก็เชื่อทุกสายยาประจารย์งห้าพันสายแน่ค่คำถามต่อไปจากคุณวิไลชั่งสมาธิทุกวันเช้าและก่อนนอนมีจิตกุ้งซ่านบ้างแต่เรานั่งต่อไปมาดูลมหายใจเข้าออกเราทำถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วขอให้ทำไปเรื่อยๆนันทำให้บ้านเป็นไปด้วยดค่ะคำถามต่อไปจากคุณรัชนี กาบรรมสการเจ้าค่ะโยมอยากรู้ว่าปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเป็นอย่างไรเจ้าค่ะอย่างไหนที่เรียกว่าปัญญาช่วยยกตัวอย่างให้โยมได้ทราบหน่อยเจ้าค่ะโยมนั่งสมาธิมาเป็นหลายปียังไม่เคยรู้ว่าเกิดปัญญาเป็นอย่างไรเจ้าค่ะปัญญาที่ได้จากสมาธิคือปัญญาที่เวลาพิจารณาแล้วสามารถดับเกลียดได้เนี่ยปัญญาที่ แต่ดการนั่งสมาธิเช่นวเวาเราเจอความตายใช่ไหแล้วปัญญาบอกว่าน่าการนี้น ไ, ได เ, เกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาลงพ้นความตายไปไ ด, ได้ถ้าเป็นเป็นปัญญาที่ที่ถ่าจมีสมาธิก็สามารถดับความทุกข์ดับความเกิดตายได้นั่นเ า, ถ, าถ้าไม่ได้นั่งสมาธิมานะ แม่จะรู้ว่าร่างกายไม่เย็ก็ยังดับควาคขึ้นดับควาทํามเสียใจไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณเลิฟบุดามีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะคําถามแรกถ้าแม่หรือญาติค่าตัวตายจะทําบุญแบบไหนถึงจะได้รับคะกแบบ็แบบอยากเดียวกันที่เราทำดีแม่จนตายทำดีทาบุญใสว่าตรถอยสังฆทาเมื่อทำบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาก็ได้ ถาเราองพิจารที่เราทำไม่ได้จะ้องยอับไปคำถามที่สองมีคนไปปฏิบัติธรรมในวัดเห็นผลไม้หล่นเก็บกินตกนรกไหมคะคามเป็นจริมันต้องขออนุญาตเพอาไม่ได้เป็นของเราเป็นของวัดก็ถือว่าเป็นการขโมยการทำการทาบาปด้วยความโลภนี้ไม่ไม่ไม่ถึงนรกแต่จะไปเป็นเฟร ถ้าต้องาการจะไม่ไปเป็นเฟรชก็ต้องไปขออนุญาตจากพระานบอกวาขอรัฐานคละไม้อาที่เป็นรัประานได้ถ้าขอานขอนุญาต ก, ก็ก็เอาไปได้ก็ไม่ไม่บังแต่เอาไปโดยไม่ขออนุญาตเถว่าเป็นการรักคุณคำถามต่อไปจากคุณนิวเรืองศักดิ์จิตคิดดาพรตนาตรายัยทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับ พอาะที่เรชอบดาคนอื่นไม่ชอบดา่ด า, บ า, า, า, ด า, าตัวเองนมยอดจลมาบ้างคุณข้าวยังอยากด่าเพราะราทำงานไปก็ดาแล้วมึงเป็นอะไรบ้างคงทางต่อไปจากคุณเลิฟ บ, บุด๊ดะไปปฏิบัติธรรมในวดัดตากเสื้อผ้าชั้นในสูงเลยศีรษะอันนี้ผิดหรือไม่คะในวัดเนี่ถ้าอยู่ในส่วนใช้ห้องของเราที่ไม่เกี่ยวข้องไปก็จะตายยังไงก็ได้เน่ยจันหว แต่ถ้าอยู่ในที่สาธารณะก็ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าไ่าไมอยากใส่ใจคำถามต่อไปจากคุณหญิงพึ่งอยากสอบถามพระอาจารย์ว่ามีลูกชายอยากบวชทุกๆุฤดูร้อนตอนปิดภาคเรียนจะสามารถบวชได้ไหมคะเพราะทางบ้านมีความเชื่อว่าไม่ควรบวชเกินสามครั้งคะ่ะจะถือว่าเป็นชายสามบวชถือว่าไม่ดีคะ่ะ อ, อ๋อไม่หรอกถ้ามันบวชได้แน่เฉพาะช่วงท่านบวชกี่ครั้งม่ได้แต่ถ้าจะบ ว, บวออชรจววริงๆนี่ก็ต้องบวชเราอย่าไปเสด็จเลยถ้ายังไม่คนละอย่างเลยถาจะเป็นบาปัวชแบบแบบถท้ามอไม่เสร็จนี่ก็ต้องบวชทั้งเดียวถ้าบวชแล้วเสร็จบวชแล้วเสร็จเป็นกระด้วาจนี้ไม่มั่นคงแต่ถ้าเป็นเด็กอยาจะเรียนรู้วยเวลาติดเทมก็มาบวชก็ถือว่ามันเป็นเรียนซัมเมอร์คือวัา อโรงเรียนเปิดก็กลับไปเรียนต่ออารงเรียนปิดก็กลับมาบวชเพื่อมาเรียนธรรมต่อไม่เป็นไรสี่ขั้นไม่ได้นำถามต่อไปจากคุณพรพันธ์กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะในขณะที่ตั้งใจทํางานมีคนรู้จักที่สนิทกันมาหาหันไปมองเห็นเป็นคนยืนอยู่แต่จําไม่ได้ต้องใช้เวลาสักพักถึงจะจําได้ควรทําอย่างไรเจ้าคะ่ะ ไม่เราทำอะไรกว่าเราเป็นอย่างนี้ก็แล้วหรือว่าความเสี่ยงรวไม่ค่ดีคำถามต่อไปจากคุณสาธกาจะเริ่มหัดนั่งสมาธิเริ่มต้นควรทำอย่างไหนดีคะตอนนี้แค่เริ่มตามที่พระอาจารย์บอกคือทำทานเพื่อให้เราสบายใจขึ้นคะ่ะทำทานแล้วก็รักษาสีหน้าแล้วก็พยายามฝึกสติก่อน อย่าท่องพิธีไปทั้งวันนะคอยเท้าดูใจเคลื่อนไหวต่างของร่างกายอย่าให้ใจไปที่แล้วเอาเวลาว่างก็นั่งท่องพิธีพิธีไปแล้นั่งอยูลงหายใจเข้าอักไปคำถามต่อไปจากคุณสุภาพร<ม>กราบนมัสการค่ะมีเรื่องที่ไม่สบายใจทําให้เรื่องทําให้คิดเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ามาหลายวัน กว่าจะเห็นความไม่เที่ยงของความทุกข์นั้นตัดอารมณ์เหมือนจะวางความทุกข์ได้แต่แค่ไม่กี่วันก็กลับมาคิดเรื่องเดิมอีกเป็นเพราะอะไรเจ้าคะแล้วทําอย่างไรถึงจะไม่นึกถึงเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจอีกเจ้าคะ่ะก็เราตัดสติควบคุมความคิดนั่นเลยปอให้จิตป่อให้เจิตคิดไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะสื่อสางความคิดต่างๆได้มา แลนัก็คอใช้สติคอยวบคุมความคิดหยุดหนักคิดอย่าใ ห, ให้มันคิดให้มันคิดแค่เฉพาะเรื่องที่เราตรองการให้มันคิดเท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณอราไทยกราบน้ำสักการหลวงพ่อสุชาติเจ้าค่ะค่ะคำถามคือลูกชายอายุ29ปีเต็มย่าง30ยังไม่ได้บวชพระทำงานบริษัทก่อสร้าง ลูกจะพูดสอนอย่างไรให้ออกใจอยากบวชศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าคะตอนนี้มันบางคับงเปนไม่ได้ถ้าก็ไม่ชอบมันช่วยอะไรเขไม่ได้แต่เราถ้าพูดจากเขาได้ครับพว่าการบวช น, นี่ต้อเป็นเหมือนกับการไปเรียนหนังสือจไปเรียนเยาวราชธรมเรื่องที่เราไม่รู้ถ้เาเรนเรียนนะจะทําให้เราเป็นคนดีรู้จักผิดถูกรี้ชั่วรู้จักแบบความรู้ความเมตตาใจต่างๆได้ เขาบอกเขาประโยชนเยันเกิดจากการเล่ัวแต่ก็อยาเกเล่นบวหแล้ไม่เนี้เราไปบังคับไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณเปรมวลีเมื่อเช้าตื่นนอนแล้วนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงตามปกติรู้สึกว่านั่งได้ดีแต่ระหว่างวันกลับหุดหงิดโดยไม่มีขุนมัวทำไมเป็นเช่นนั้นเจ้าค ะ, าะเพราะมกสเต็ควบคุมใจนั่นเอง ถ้ามีเจ็บปวดกูใจเหมืนกับที่นั่สมาธิใจไปแต่สงบเย็นสบายมีคำถามจากคุณเทียนชัยคำถามแรกกายดับจิตไม่ดับตัวจิตหมายถึงอะไรครับพระอาจารย์รคือรู้ที่หนึที่สามารถนั่งใจเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เป็นนั่งาจไม่ได้อยู่ในสมองอยู่ในร่างจิตตัวยด้ตัช่วยด้วยทีนี่คือจิต ที่ไม่น่าตายไปทำางานครับคำถามที่สองกายปัจจุบันแล้วตัวจิตอยู่ตรงไหนครับก็จิตอยู่โลกหนึ่งนะในวัฏจักรจิตแล้วมัส่งกระแสจิตมาเกาที่ตาหรือผลิตจกายแล้วก็สังสงส่งให้ร่างต า, ายเคลื่อนไหวไปทํานูนา่นทํานั่นไปดูรูปไปทำเสียงแล้วมาส่งไปที่จิตั้ำถามต่อไปจากคุณพร เรียนถามเจ้าค่ะสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดตามใน y o u ูทูบทุกวันแล้วก็แผ่เมตตาสวดในห้องนอนค่ะทุกเช้าเลยจะได้บุญไหมคะเพราะว่าไม่ได้สวดในห้องพระค่ะได้สวดที่ไหนก็ได้ไดไดถามต่อไปดารัฐกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการทํางานให้บริการกับผู้รับบริการแล้วแต่ยังถูกมองว่าทําได้ไม่ดี แล้วเขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไปต่างๆนานาเราควรทำอย่างไรต่อดีเจ้าคะเราจำเป็นต้องทำตามใจเขาหรือใช้กฎระเบียบเป็นเกณฑ์เจ้าคะแล้วแต่เราเราจะทำะไรายได้ก็ทำไปให้กฎระเบียบได้ก็ใช้ไปให้กฎระเบียบไม่ได้ก็ตามใจเขาต้องตามใจเขาก็ตามใจเขาไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนัทธพัฒนขอคำแนะนำจากพระอาจารย์คะ่ะ พุโทโธท่องในใจไปจิตจะรู้สึกตัวไวค่ะแล้วเหมือนจะมีคำสอนตลอดเวลาคุยกับอีกคนหนึง่งแต่พอท่องไปได้สามวันจะมีอาการปวดหัวแบบเหมือนหัวจะแตกเจ้าค่ะพอหยุดท่องจิตก็จะฟุ้งซ่านตลอดและตอนนี้กลัวการท่องพุโทโธเพราะพอท่องไปได้สามวันก็จะเป็นอีกเจ้าค่ะขอคำแนะนำเจ้าค่ ะ, ปะเปลียนมาสวดมนต์แทนได้ คำถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์กราบนรมสการพระอาจารย์ครับกระผมนั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธคำบริกรรมรวมกับผู้รู้กลายเป็นสภาพอุ่นๆผ่านทุกขเวทนาไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งจิตรู้สึกมีความสุขมีความอดทนถึงแม้นว่าจะยังไม่ได้สมาธิจิตนี้ก็รู้อยู่แก่ใจ ธรรมะเป็นเช่นนี้เองหรือครับพระอาจารย์เวลาจิตทิ้งร่างกายยิ่งยึดมั่นในเวทนามากเวลาจิตนี้สะบัดออกได้มันมีความรู้สึกสุกเล็กๆ เ, เกิดขึ้นกระผมนั่งสมาธิได้สามชั่วโมงยี่สิบนาทีจนมีกลุ่มมดแดงเล็กกลุ่มหนึ่งมากวนอยู่ภาคใหญ่จิตนี้ก็เลยได้อุบายออกจากการนั่งสมาธิกระผมลืมตามามีอยู่สิบกว่าตัวครับ เลยอยากถามพระอาจารย์เรื่องการนั่งสมาธิให้เกิดให้จิตเกิดสมาธิตกลุมตกบ่อจิตเกิดสมาธิใบต้องทาอย่างไรครับก็ต้องมีสติที่ต่อเนื่อไม่ปล่อยให้ใจว่าสิ่งนั้นนั้นนั้นนนน้เพ่อให้อยู่ใิตราที่เรไปอย่างเดียวคำถามสอบไปจากคุณอนุสรมีทั้งหมด2คําถามคาถามแรกขอโอกาสขอรับ การรู้ธรรมเข้าใจธรรมเข้าถึงธรรมควรน้อมนำปฏิบัติเช่นไรในการดำเนินชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารในทางโลกุตละขอรับก็ต้องเจริญสติเจริญปัญญาพอรู้มธรรมงติปัญญาค่ะถามต่อไปขอโอกาสขอรับจิตพองใสกับจิตบริสุทธ ต่างกันเช่นไรแล้วต้องปฏิบัติเช่นไรให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องในพุทธศาสนาขอรับจิตทงาก็คือจิตที่สงบจิตที่สงบีมีมแบบรเ่อาบา ว, าวาจิตที่สงบแเ่าก็งสมาธิจิตที่สงบเาวแล้วก็ต้องส า, า, ส า, าถามต่อไปจากคุณอนุสิต ถ้าอาจารย์มีเทปธรรมะแบบเผ็ดร้อนบ้างไหมครับก็มีแหละที่ที่ฟังอยู่นี่แหละจะว่าเผ็ดหรือไม่ก็ไป่รูกันคำถามต่อไปจากติ๋ผิดหรือไม่คะที่ชอบนั่งฟังธรรมะแต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติหรือปล่อยวางอะไรได้คะ่ะได้ผิดแล้วเป็นเป็นการในการเริ่มต้นเพราะความ่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่มีครับสามารถที่จะปฏิบตัติต่อไปได้ คำถามต่อไปจากคุณแทนแทนรบกวนสอบถามพระอาจารย์ครับหลังจากไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเวลาจะนอนบางทีก็ภาวนาจนหลับไปบางทีก็ไม่ภาวนาแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกจนหลับไปทาแบบนี้จะได้ไหมครับได้คด้คำถามต่อไปจากคุณพีรพัท์ กราบนมัส ก, การครับผมผมอยากทราบว่าตอนนั่งสมาธินั่งไปเรื่อยๆจิตเริ่มนิ่งแล้วหลังจากนั้นเราต้องนั่งไปอีกนานเท่าไหร่ถึงจะพอครับได้ไมนานที่สุดที่จะนั่งได้ดนะิ่งานเะท่าอยู่คำถามต่อไปจากคุณพีรพัฒ์กราบนมัส ก, การครับผมผมอยากทราบว่าอ๋อคำถามซ้าค่ะเจ้าค่ะ คำถามสุดท้ายดีตั้งใจบวชสามเดือนน้องชายเป็นคริสพ่อเป็นพุทธอยากบวชตามคำขอของพ่อแต่อยากใช้เวลาสเดือนที่มีค่าอาจารย์แนะนำที่ไหนดีคะตอนนี้เริ่มศึกษาแล้วเริ่มทานอาหารหนึ่งมือแล้วค่ะร้านที่จะบวชก็ต้องไปหาเอาเองว่าที่ไหนบอกาะสมนะอย่าชอบที่ไหนจะไปอย่าชอบที่ไหน ว่าวันมหลาแบบยู้ ม, มีเรื่อขายอะไรต่างๆกันหลายอย่างที่่นเทท่จพิาถ้าไปนูห า, าูว่าวัานถกตันเเปื้อ้าเนี่ยคุช้ชมะชอบดูไปเลือกดูว่าไหนนเท่าไหนเหกกระเป๋าอัากบอกบบนมีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะ จากคุณจันโทปฏิบัติธรรมจนมีความสุขมากที่สุดจนตัวเบาแล้วสุขมากๆจนเป็นทุกข์ครับสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนครับไม่รู้ว่าสุขแล้วมันทุกขได้ยังไงไม่เข้าใจแล้จวจะทุกข์เพราะว่ามันหมดนั่นปะก็สุข ท, ที่เกิดจากการปฏิบัตินี่เป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็ต้องปฏิบกันเว่าความที่ใช่่าเป็นความศักดิที่ถาวแล้วชัวก็จะไม่มีสารวันนี้ก็ว่าพอสมควรแต่เวลานะเกือบชั่วโมงสมนาทีปฏิว่าพอสมควรแต่เวลาขอให้ท่านัายต้องนำวัตถุที่ารได้อยู่ในกลางเดนนี้ไปพจาไปปฏิบัติ เพื่อวามสุขความเจริญข้าหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ